ท่านสาธุชนทั้งหลายสําหรับเรื่องเวสันตรชาตะกะเรียกกันอย่างเสียงไขว้ไขวว่าเวันดอนชาเดกนั้นผมเชื่อว่าทุกทุกท่านในที่นี้คงจะเคยได้สะดับหรือได้อ่านได้ศึกษากันมาแล้วไม่มากก็น้อยทุกทุกท่านเพราะว่าประเพณีการฟังเทศเวชนดอนจึงเรียกกันตามปาภาษาชาวบ้านว่าเทศมาหาชาดนั้นเป็นประเพณีเก่าแก่ ที่พุทธบริษัทชาวไทยเราได้เริ่มก็ทำมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยก็ว่าได้แล้วก็เป็นประเพณีซึ่งไม่เคยทอดทิ้งหรือหยุดลงมาในกลางทันมีกันทุกปีในสมัยโบราณก็เรียกว่ามีกับทุกวัดในสมัยใหม่ก็เป็นบางวัดเท่านั้นที่จะให้มีขึ้นเป็นงานประจำปีก่อนที่ท่านทงหลายจะศึกษาถึงข้อคิดบางอย่างในเวทันดอนคาดกนั้น ผมจะได้นําท่านไปรู้จักลักษณะคำพีที่เรียกกันว่าชาดกซะก่อนว่าชาดกเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรชาตะกร้าหรือชาดกนั้นเป็นศัตทศาตร์คือคําฝั่งสอนของพระบรมศาสดาข้อหนึ่งที่สงเคราะห์เข้าอยู่ในนวังศัพทศาสตร์กล่าวคือคําสอนภาษาศาสตรแบ่งแยกกันออกมาแล้วมีองค์เก้าเดยกัน ชาดอกหรืชาประการนั้นจัดเข้าในองค์หนึ่งในเก้าประการนั้นโดยลักษณะตันสงเคราะเข้าในคําทีชาดอกสงเคาะเข้าอยู่ในสุดปันตติดกขุตตะมีกายซึ่งเป็นในกายที่ห้าในบาลีสุดปันตติดกคําว่าขุาตตะมีกายนั้นไม่ได้แปลว่ามีกายเล็กๆน้อยๆไม่ใช่กายอย่างนั้น แต่ตอนว่ามีกายซึ่งได้รวบรวมไอาเรื่องราวปรกิณกะต่างๆหลายเรื่องเดียกันมารวมกันเข้าไว้เรียกกันว่าขุสกะมีกายที่แปลเช่นนั้นเพราะวดูลักษณะของหมวดธรรมะหรือเรื่องราวต่างๆในขุสกะมีกายแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ใช่เรื่องกระเป็นกระสายเป็นเรื่องใหญ่มากยกตัวอย่างเช่นเรื่องชาดกอยนี้เป็นต้นเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียว เพราะฉะนั้นคุตกะมีกายจเิ็นนิกายที่รวบรวมเรื่องราวต่างๆเรื่องราวปลีกย่อยต่างๆมากมายแล้วก็แต่ละเรื่องของปลีกย่อยเหล่านั้นบางเรื่องก็ยาวบางเรื่องก็สั้นบางเรื่องก็ยาวยิ่งกว่า ส, สูตรบางสูตรในบาลีที่มิกายบางเรื่องก็สั้นๆชาบกจัดอยู่ในคุตกะมีกายส่วนหนึ่งเหมือนกันลักษณะของชาบกนั้น ข่้นแบ่งออกพระสังกิติกาจาร์ท่านจัดการแบ่งออกเป็นยี่สิบสองหน่วยบาทด้วยกันยี่สิบสองหมวดแล้วลักษณะการแบ่งยี่สิสองหน่วยบาทหรือยี่สิบสองหมวดเนี่ก็ถือเอาอตัวฉันที่เรียกกันว่าคาถาเป็นตัวแบ่งตัวฉันที่เรียกกันว่าคาถาคําว่าคาถา น, นีน่ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นบทคาถาอาคม อ, อะไรอย่างตามความรู้สึกของชาวบ้านเราหรอก คาถาในภาษาบาลีนั้นแปลกันว่าบทขับบทร้อยกรองคือมีการแต่งเป็นบทร้อยกรองขึ้นเพื่อสะดวกต่อการจำเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ท่านก็เป็นยอดกวีอยู่ในการสั่งสอนพระธรรมบางครั้งเพื่อที่จะช่วยความจาของภาษาวกพระองค์ก็ตรัสออกมาเป็นรูปของร้อยกรองคือให้มีสัมผัสเพื่อสะดวกต่อการจดจำ เราสังเกตได้ว่าความจําของมนุษย์นั้นถ้าจําในเรื่องที่มีพลความเป็นร้อยแก้วแล้วจะจํายากเหมือนอย่างเช่นว่ า, าเราท่องตัวบทกฎหมายซึ่งแต่งเป็นร้อยแก้วนั้นจะรู้สึกว่าจํายากแต่ถ้าเราท่ทองบทสักกะวาหรือบทโครงฉันจับกรองซึ่งเป็นร้อยกรองแล้วเรารู้สึกว่าจําง่ายทั้งนี้เพราะอาศัยจังหวะและค้อยคำซึ่งมีสัมผัสนอกสัมผัสใน แล้วก็สรุปเอาสารัะสําคัญในเนื้อหาเข้ามาในรูปของคําพูดที่กระพับรักเราก็จํำง่ายเพราะเหตุนี้ข้อหนึ่งที่เป็นเหตุเทพสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อแสดงธรรมะโดยภาษาร้อยแก้วธรรมดาแล้วบางครั้งก็ทรงสรุปลงเพื่อช่วยความจําของภาษาวกเป็นรูปร้อยกรองที่เรียกกันว่าคาถาเรื่องของคาดกนั่น ไม่พระบาลีเดิมเป็นคาถาทั้งหมดแล้วก็แบ่งออกเป็นยี่สิบสองหนีบาทเพื่อให้เหมาะกับจำนวนคถ า, ามีบางชาดกก็มีคถ า, าเป็นคาถาเดียวก็เรียกว่าเอกนิบาทชาดกในเรื่องเอกนิบาทก็รวบรวมเรื่องราวชาดกที่มีคาถาเพียงคถ า, าเดียวถ้าหาว่ามีสามคาถาก็เรียกว่าติกนิบาทสีาา่คาถาจังหวัดจตุ ก, กนิบาทสงเคราะห์เข้อเอาไปในหมวดหมู่นิบาทเหล่านั้น รวมคาถาทั้งหมดในคำพีชาดกมีหกพันหกร้อยห้าสิบสองคาถาเดียวกันหกพันหกร้อยห้าสิบสองคาถาในคำพีชาดกเรื่องของชาดกท่านกล่าวว่ามีจำนวนถึงห้าร้อยห้าสิบเรื่องหรือเรียกกันอย่างภาษาชาวบ้าน ง, ง่ายๆตัดสังขยาตอนท้ายออกก็เรียกว่าพระเจ้าห้าร้อยชาติ แต่ความจริง่ะจำนวน550เรื่องนี้เมื่อพิจารณาดูพระบาลีเดิมแล้วจะเห็นว่าขาดไปสามสามเรื่องไม่ได้ครบ550เต็มบริบูรณ์แล้วครับขาดไปสามคงมีทวนในพระบาลี547เรื่องการที่ขาดไปสามนี่อาจะเกี่ยวกับว่าในการทำสังคายนาแต่ก่อ น, อนจะขาดตกบกพร่องถ้าสังขีติก า, าร จะลืมเอาเข้าสังขยานาหรือว่าต้นฉบับหรือว่าความทรงจำแต่เก่าก่อนซึ่งสืบมาแต่รังกาทวีพ้นจะตกลนหักหายไปหรือจะเป็นภาว่าของเดิมจริงๆก็มีห้าร้อยสี่สิบเจ็ดเรื่องแต่าว่าเพื่อสะดวกต่อกันที่จะจำาพระสีติกาจารจึงได้หยอดโดยให้เป็นสังขยาว่าห้าร้ยห้าสิบ เพออาะอจํว่าห้าร้อหสิบกับห้าร้อยสิเจ็ดนั่นน่ะเราจำห้าร้อยห้าสบคล่องกว่าจำนวนมันไม่ขาดไม่เกินมันได้ว่าเป็นตัวถ้าไปจำว่าห้าร้อยสี่สิบเจ็ดยังรู้สึกว่าจะไม่ใค่เป็นตัวการจําก็อาจจะตกหล่นไปบ้างเพราะเหตุนั้นของจริงน่ะมีเพียงห้าร้อยสิบเจ็ดเรื่องในบาลีถ้าดกทั้งหมดเป็นเรื่องราวที่ กล่าวถึงพระโพธิสัตว์บรรเพนบา ร, รมีเพื่อโพธิญาณแล้วก็เป็นข้อที่ว่าน่าอัศจรรย์อยู่คือบรรดา557ชาดกนั้นมีอยู่ถึง542ชาดกเป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์บรรเพนบา ร, รมีในพัฒกับนี้คงมีอีกห้าเรื่องเท่านั้นที่กล่าวถึงเรื่องราวพระโพธิสัตว์บรรเพนบา ร, รมีก่อนหน้าพัฒกับนี้ ห้าเรื่องนั้นก็คือเสริวะวาณิชชาดกเรื่องหนึ่งโลมาหังตะชาดกเรื่องหนึ่งอรกะชาดกเรื่องหนึ่งเกสวะชาดกเรื่องหนึ่งภกาพลมชาดกเรื่องหนึ่งตกลงว่าชาดกห้าเรื่องนี้น่ะเป็นเรื่องเก่าก่อนพัชกับนี้ก่อนหน้าพัชกับจะอยู่กับอะไรบ้างก็ไม่ทราบในอัจกระทาไมได้ระบุไว้คงมีห้าร้อยสี่สิบสองเรื่องหรือห้าร้อยสี่สิบสองชาด เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพัฒนัพนี้คือศัพที่พวกเรามีชีวิตกันอยู่นี้ดีกว่าพัฒน์ศัพทข้อนี้น่ะก็อาจจะมีปัญหาชวนสงสัยว่าทําไมเป็นเช่นนั้นเพราะโพธิสัตว์ท่านจะเพ่งจะบําเพ็ญบารมีในพัฒน์พนี้และก่อนหน้าพัฒน์พนี้เพียงห้าภาพคำนั้นหรือไม่ใช่เช่นนั้นเพราะว่า้พเราจะดูคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ บ้างก็เป็นสัทาธิกะโพธิสัตว์บ้างก็เป็นปัญญาป er. ิกะโพธิ such, ส, sickness, สัตย์ย่อมสร้างบารมีหกอาสง์ขายแสนมหากรั้างสี่อาสง์ขัยแสนมหากรั้างไม่เป็นประมาณสุดแล้วแต่ท่านหูได้จะเป็นฝ่ายสัทาปิกะหรือฝ่ายปัญญาปิกะก็เมื่อเป็นเช่นนี้เรื่องราพระเจ้าห้าร응้อยชาตหรือห้าร้อยสี่สิบาตสี่สิบเจ็ดชาตินี่จะเป็นชาต ที่ลงตัวแน่นอนในสีอสงไขยแสนมหาจับกระนั้นหรือพระพุทธเจ้าของเราองคนี้น่ะเป็นโพธิสัตว์ฝ่ายปัญญาปิกะนะพระพุทธเจ้าของเราอยู่นี่เมื่ออดีตชาติเป็นโพธิสัตว์ปัญญาปิกะมันเป็นบารมีสีอสงไขยแสนมหาจับห้าร้อยสี่สิบเจ็ดชาติไม่ขาดนี่เกินหรือเป็นเรื่องราวที่เกิดในสีอสงไขยแสนมหาจับกล่าวเลยเพราะคำว่าสีอสงไขยแสนมหาจับมันก็บอกแล้วว่ามันเกินหนึ่งกับขึ้นไปแล้ว เรื่องราวห้าร้อยสี่สิบสองาตเกิดในทัศนจับเพียงกับเดียวอีกห้าชาตเกิดก่อนหน้าทัศนจับจะอยู่กับไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นยังไม่อีกตั้งหลายเอาสงไขกับที่ไม่ได้มาประมวลเล่าไว้ในบารลีไม่ได้ประมวลเล่าไว้ในบารลีเลยหรือในคำทีใดเลยทำไมเป็นเช่นนั้นข้อนี้ผมก็อยากจะเสนอความเห็นว่าที่ไม่สามารถประมวลเอาชาติกอ น, กอน ก่อนหน้าเรื่องราวในพระกัตยนี้ขึ้นไปมาเล่าหรือว่าการที่พระบรมศาสดาไม่นําอดีตชาติของพระองค์ก่อนหน้าพระตกัตย์นี้เก่าๆ ก, ก่อนๆเหนือขึ้นไปมาเล่าก็สาเหตุมาจากว่าทรงนําเอาชาติที่ใกล้ๆคือชาติที่บัรเทนบรมีในกัปนี้กัปจึ่งพระองค์มีพระชนมชีวอยู่นี่กัปจึงเราทั้งหลายซึ่งเป็นอ่าปฐมโลกประจํากัปเกิดอยู่นี่ พระองค์จึงได้นําชาติที่ใกล้ๆมาเล่าให้ฟังและชาติที่ใกล้ๆในขัตจักรนี้ก็มีถึงห้าร้อยสี่สิบสองชาติด้วยกันกับเศษอีกห้าชาติก่อนหน้าขัตจักเพิ่มเข้ามาลําพังเพียงแค่นี้พวกเราก็จํากันหวาดไหวแล้วฟังกันหวาดไหวแล้วลําพังเพียงแค่นี้่ผมเชื่อ ว, ว่าไม่มีท่านผู้หนึ่งผู้ใดเลยที่จะมีโอกาสฟังเทศนาพระเจ้าห้าร้อยชาติทุกชาติครบสมบูรณ์ในที่นี้เป็นแน่ นี่และครับจึงเป็นการตอบปัญหาว่าทำไมพระศาสดาจึงนำแต่เรื่องราวชาดกในพัตตกับนี้มาเล่าไม่ทรงนำชาติเก่ากว่าพัตตกับมาเล่าหรือนำมาเล่าเพียงห้าเรื่องเช่นที่ผมยกมาให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เท่านั้นเทาเหตุไร阿拉กษักการต่างบารมีท่านองแบ่งเป็นสามระยะเดยวยกันระยะแรกเรียกว่าทุเรนิทานระยะที่สองเรียกว่าอาวิทุเรนิทาน ระยะที่สามดูว่าสันติเกนิทานคําว่านิทานน่ะไม่ใช่หมายความว่าเป็นนิทานสําหรับเด็กอย่างความเข้าใจของผู้เราในปัจจุบันนี้คําว่านิทานในภาษาบาลีน่ะแปลว่ากรณีเหตุนิทานน ะ, ะหมายถึงกรณีเหตุธุเรนิทานคือเรื่องราวหรือ ก, กรณีเหตุไกลอวิธุเรนิทานก็หมายถึงกรณีเหตุเรื่องราวที่ไม่ไกลนะัก สามติเกนิทานก็หมายถึงเรื่องราวกรณีเหตุที่เกิดขึ้นในระยะใกล้เป็นสามตอนถ้าเราจะประมวลชีวประวัติของพระบรมศ า, ศาสดาแล้วก็ประมวลอยู่ในสามระยะนี้อย่างใหญ่ๆหญทูเรนิทานนะจัดความแต่จำเดิมพระบรมโพธิสัตว์ของเราสวยพระชชตาเป็นสุเมธดาบทได้ตั้งมูลปนิทินณแถพระบาทมูล แห่งพระโบราณพพุทธเจ้าซึ่งมีพระนามว่าสีปังกรเวลานั้นสุมเม ธ, ธาดาบดมีบารมีแก่กล้ามีสาวกะบารมีแก่กล้าจะบรรลุอรหัตผลได้แล้วในขณะนั้นแต่สุมเม ธ, ธาดาบดก็เ ม, มินต่ออรหัตผลเสียด้วยอาศัยความกรุณาต่อสตวรรคเป็นบุเรจาริสได้ตั้งมูลปณิธิว่า ขอให้ข้าพเจ้าจงได้บรรลุแต่พระประมาภิเศษสำภูรียานปรับรู้เป็นสัพพยุตยานพุทธเจ้าเพื่อจะข้ามขนเวนัยศัตว์ให้หลุดพ้นจากข่วงโอกคันดาลในอนาคตการเรื่องหน้าเปิดและพระศีปังกรพุทธเจ้าซึ่งในขณะนั้นเหยียบพรบาทอยู่บนเกศาอุทุเมธดบาบทอันปูแพปกคลุมเนื้อที่ดินที่ดุมถวายถวายสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น รนรองก็ได้แสดงลัทธิเทศกล่าวคือพญากรณว่าดาบทผู้นี้เป็นแสดงลัทธิเทศกล่าวคือพญากรณว่าดาบทผู้นี้นับแต่นี้ไปอีกหลายแสนมหากรรธมีกับกับหนึ่งชื่อว่าพัฒนกับดาบทผู้นี้จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ามีพระนามวโคตมะปรากฏในโลกนี่เป็นเรืองราวว่าทูเลเณรทานจับความตั้งแต่พระโพธิสัตว์ตั้งมูลปรินิพิ เปล่งออกทางวาจาปรารถนาปูธิยานก่อนหน้านี้คิดในใจยังมีอีกนะพระผููธิศาสตร์น่ะที่จะเป็นพระพุทธเจ้านะหนาคิดในใจต่างต่างหลายกลับเฉพาะคิดในใจไม่เปล่งออกทางวาจาเนี่ยคิดในใจเป็นมโน ก, กรรมดัมบิเป็ิปงวามดัมบิในใจเป็นเวลาหลายกลับแล้วก็การเปล่งออกทางวาจาเพิ่มจะมาปรากฏในสมัยสุมเมธาบทนีนะครับเป่งออกมาทางวาจาแล้วก็ ได้รับลัทยเทศพุทธยิยุทธพุทธพิยกรเป็นนิยตโพธิสัตว์ก็ในสมัยชาตินั้นคือพระโพธิสัตว์น่ะถ้าจะแบ่งแล้วมีสประเภทประเภทหนึ่งเรียกว่าอนิยตโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ที่ยังไม่เที่ยงแท้ต่อโพธิญาณประเภทนี้่ไม่ได้รับพุทธพิยกรจากพระพุทธเจ้าองค์ใดๆอย่างเช่นว่าเราทั้งหลายในที่นี้ท่านผูหนึ่งผู้ใดตั้งความปรารถนาว่าพุทธโธมิอนาคเตขันก็เป็นโพธิสัตว์แล้วเดี๋ยวนี้ที่นี่ตรงนี้เป็นโพธิสัตว์แล้ว สมมติว่าชื่ออถ้าเป็นบุรุษชื่อว่าประยงก็เป็นพระผู้ศรัทธาประยงไปนะถ้าเป็นสตรีชื่ออ่าวัดดาก็เป็นผู้ศรัทธาวัดดาไปอย่างนี้ตรงนี้เองเราแปลงว่าพุทโธโหมิอานาคเตเราก็มีดีกรีเป็นผู้ศรัทธนาะแต่ว่าผู้ศรัทธแบบนี้เป็นอนิยตะอนิยตะเพราะว่าวันนี้ตั้งความต่อคณะพุทธภูมิพอกลับบ้านแล้วบอกคิดใหม่บอกไม่ไหวจริงเป็นพระพุทธเจา้าเนี่ยต้องทําความดีช่วยโลกต่าง สี่อสงไข่บางหก อ, งอสงไข่บางกว่าจะฟันเต่าอุาปสรระตรรุ่มาได้แย่ไม่เอาแล้วเอค่สาวกภูมิก็พอนั่นเราก็เพื่อมแล้หลุดจากภาวะภูติสัตว์ไปแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าเรายังเป็นมนีตาอยู่ยังไม่ได้สร้างอภิการไม่สํานักพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งพระภูติสัตว์องค์ใดที่จะเป็นมีตาภูติสัตว์เที่ยงต่อภูติยานในเบื้องหน้าพระภูติสัตว์องค์นั้นจะต้องบรรเพนอภิกาโรคือได้สร้างกุศลอันยิ่ง สำเพาะพระพักของพระโบราณพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแล้วก็พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นจะต้องเล็งอนาสะังสยานตรวจสอบอธัธยาศายอธิมุตของพุทธภีชางกูลผู้นั้นว่าในอนาคตการท่านผู้นี้จะสามารถสร้างสมบารมีไปจนถึงโพธิญาหรือไม่แล้วก็ให้รัฐยาเทศทยากรไหวท่านผู้นั้นจึงชื่อว่านยตาโพธิจักรเพราะฉะนั้น ชาติก่อนหน้าที่จะเป็นสุเมธดาบทชื่อว่าเป็นอภิยะสาวโพธิสัตว์จาเดิมตั้งแต่สเสวยพระชาติเป็นสุเมธดาบทแล้วแต่นั้นมาชื่อว่าเป็นนิยะสาวโพธิสัตว์เหตุเพราะพระพุท ธ, ธีปังกรได้ให้พยากรณ์ไว้ว่าท่านผู้นี้เที่ยงต่อโพธิญาณแล้วจะตรัสเป็นพุทธิจ่าองค์หนึ่งในพัฒนกัปนี่เป็นเรื่องทุเรนิธาน ทูเรนิทานก็จับความตั้งแต่เป็นสมุทสดาบทแล้วก็เกิดแล้วตายอีกตายแล้วเกิดอีกสร้สางบรมมีมาเรื่อยเีจยวก็อยู่ในห้าร้อยสี่สิบเจ็บื้องนี้แหละส่วนอื่นทั้งหมดฝ้ามาเรื่อยจนกระทั่งเข้ายุคที่สองเรียกว่าอวิทุเรนิทานอวิทุเรนิทานอวิทูเรนิทานนาะก็ถือเอากลวมตั้งแต่พระโพธิสัตสว์สวยพระธาตุเป็นสันดิสิทธิเวราชประด็จลงจากดุสิต ลงมาถือปฏิสนธิในพระคันของพลังกิริมหามายาจนกระทั่งสเสด็จออกมหาทิเมฆสกรมบังเทนพุทธกัลกะณธรรมในที่สุดในตัศรูุเป็นพระสัพพนีพุทธเจ้าผู้ง่ายๆว่าตั้งแต่ตั้งแต่แตประตูถึงตัศรุจังหวัดตรงนี้เรียกว่าอวิทุเรนิทานส่วนสัมติเกนิธานนั้นจับความเอาตั้งแต่เมื่อทรงตัสรูุแล้ว เดบันเพนพุตธกิจเป็นครั้งแรกพุทธกิจเป็นครั้งแรกก็ได้จ่ายการตรวจเป็นเยาวคีการตรวจเป็นเยาวคีจะเลื่อยมาจนกระทั่งสเสด็จเมืองสาวัตถีพบอนาถมินทิกาเศรษฐีอนาถมินทิกาเศรษฐีถวายพระเชษฐ์วันนางวิสาขามีคารมาตาถวายวัดปุพารามวิหารเรื่องราวตอนนี้เป็นสันติเกณฑนิทานนี่จึงการแบ่งประมวลชีวประวัติของพระศาสดาอย่างง่ายๆดังเป็นสามยุคใหญ่ๆ อาเรื่องของเวสันดรชาดกจึงเป็นเรื่องสําคัญซึ่งเป็นเรื่องราวเกิดในพัฒนกับเพราะว่าชาดกตั้งห้าร้อยสี่สิบเจ็ดเรื่องนี้ทําไมพุทธบริษัทฝ่ายเถราวาจึงยกเรื่องมหาเวสันตระชาตกั ข, ขึ้นมาเป็นชาดกสําคัญยิ่งกว่าชาดกอื่นต่อเพราะว่าชาดกเรื่องนี้เป็นชาดกเรื่องสุดท้ายของพระมหาสัตย์ ที่ได้ทรงบรรเทนบารมีครบถ้วนพุทธบารมีกวนจิงพระโพธิสัตว์ทุกชาติน่ะบรรเทนบารมีท่านสิประการแล้วครับแต่ว่าในสิประการนั้นอาจจะมีบารมีข้อใดข้อหนึ่งซึ่งมีเปิดเต็นแรงกว่าบารมีอีกเก้าข้อคือนับตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเน่คัมมบารมีปัญญาบารมีธิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานะบารมี เมตตาบารมีอุเบกขาบารมีบารมีทั้งติประการในติประการนั้นท่านยังแบ่งว่าจะต้องบรรเทนมหาบริจาหะเป็นจากมหาปริจาขึ้นือรัชปริจาขัางต้องสามาถรถเสียสละราชสมบัติไอสูนออกเป็นทานได้รัชปริจาคัางประการหนึ่ง 2. อ, อังคะราางบริจาคังสามารถที่จะบริจาคอวัยวะออกเป็นทานได้ประการหนึ่ง 3. ชีวิตะบริจาคังสามารถเสียสละชีวิตออกเป็นทานได้ประการหนึ่งสี่อุตตะบริจาคังสามารถเสียสละบุตรธิดาออกเป็นทานได้ประการหนึ่ง 5. ้าดาระปริจาคังสามสารถเสียสละภริยา ออกเป็นทานได้ประการหนึ่งดีกว่ามหาเป็นยบบริจาคห้าประการของพระมหาสัตว์รวมทั้งบา ร, รมีอีกสิประการในสิประการนั้นพันยังแบ่งออกเป็นบา ร, รมีชั้นสามัญแล้วก็อุปบา ร, รมีและประมัภิบา ร, รมีเป็นลาดับขัน้นเพราะฉะนั้นในบา ร, รมีทั้งสิบนี้ทุกทุกชาติที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบา ร, รมีก็มียิ่งย่อนแต่ว่าสิประการแต่บรรเทนครบทุกชาติ บางชาติก็มียิ่งหย่อนถ้าหยิบเอาบารมีข้อใดข้อหนึ่งบันเพนหนักยิ่กว่าอีกเก้าบารมีเช่นว่าในชาติเป็นพระเวสสันนนิหนักในทานบารมีมากแต่ไม่ได้หมายความว่าอีกเก้าบารมีท้าไม่ได้บัำเพ็ญบอกบัำเพ็ญไมในตัวด้วยบัำเพ็ญไม่ได้ตัวต้องทุกชาติไปแล้วก็นเนื่องจากว่าเวสสันนนชาดกนั้นเป็นชาติสุดท้ายที่พระองค์บัำเพ็ญบารมีแล้วสําหรับบ่มโพธิญาณในสุกแล้วพระโบราณอาจารย์จึงได้หยิบเอาชาดกเรื่องเนี่ย มาเป็นสั ญ, ญลักษณ์แทนชาดกเรื่องอื่นๆมามาจัดเป็นพิเศษในการเทศนาเผยแพร่สั่งสอนเพราะเหตุนั้นเราจึงได้ฟังเทศมหาชาติมากกว่าที่จะฟังเทศเรื่องชาดกเรื่องอื่นๆคราวนี้ในเรื่สันดอนชาดกตอนที่เราจะมาศึกษาในเรื่องชาดกอาจจะมีท่านผู้ฟังบางท่านสงสัยว่า จริงหรือเปล่าพระพุทธเจ้าน่ะเสวยพระชาชนเป็นช้างเอวยเป็นมกเอยออย่างในเรื่องราวชาดกตปฏิราชานพูภาษาคนได้ไม่ใช่พูดทานหรอไม่ใช่ว่าพระองค์ยกในทานโดยซึ่งแพ่หลายในอินเดียทั้งนั้นมันเป็นข้ออุปมาคือให้ธรรมะเดินอย่างนั้นหรือข้อนี้ท่านทั้งหลายไม่ควรจะสงสัยเลยสําหรับผมเองนะ่ะแต่ก่อนเคยสงสัยแต่ก่อนยังคือไม่เอ๊ะทำไมพูดภาษาคนได้นะ เนี่ยเรื่องราวต่างๆนี่ยังสงสัยมาภายหลังนี่ไม่สงสัยแล้วเพราะว่ามีเมื่อภายหลังนี่ไม่สงสัยแล้วเพราะว่ามีปรากฏการว่าสัตว์พูดภาษาคนเดี๋ยวนี้มันยังมีท่านทั้งหลายไม่เชื่อไปดูฟังนกแก้วพูดสินกแก้วนกขุนทองมันไม่ใช่ภาษาคนเหรอทำไมจะไปสงสัยทำไมว่าสัตว์พูดภาษาคนนกป่านนกคุนทองมันก็พูดภาษาคนได้แต่ว่ามีในแปลกก็พิมพ์นั่นกแก้วนกขุนทองอ่าสัตว์อื่นที่อื่นจากนกแก้วนกขุนทองปลาายพูดภาษาคนได้เลย แล้วเรายังสงสัยบอกว่าพระพูริสัตว์น่ะเกิดเป็นช้างเป็นปลาจริงแล้วเนี่ยมีเหรือเกิดเป็นช้างเป็นปลาเนี่ยออทำไมถึงมีได้อย่างไงอย่าว่าแต่อดีตหลังชพระพุทธเจ้าของเราเลยปัจจุบันนี้พระพูธิสัตว์ที่มาเสวยพระชาติเป็นช้างเป็นปลาสร้างบารมีในประเทศไทยยังมีนะปัจจุบันนี้น่ะยังมีนะอยังมีอยู่อ่าอยากจะยกเรื่องสองเรื่องเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งพระพูธิสัตว์สวยพระชาติเป็นช้างในประเทศไทยแล้วก็อีกชาติหนึ่งสวยพระชาติเป็นปลาในประเทศไทย ให้ท่านหลายฟังครับอ่าเรื่องแรกพะสภูทีสักสุเอชชาเป็นช้างเกิดที่เขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นครับเรื่องนี้เกิดขึ้นระหว่างสงครามอินโดจีนฝรั่งเศสเขาสวนกวางนี่สมัย ส, ส, ส, สงครามอินโดจีนอ่ะไม่ได้เจริญอย่างเดียวนี้เดี๋ยวนี้เป็นสำนักสงฆ์มีพระสงฆ์สำนักอิสนาไปตั้งอยู่ผูกคนมากแล้วสมัยสงครา ม, มอินโดจีนฝรั่งเศสน่ะเขาสวนกวางยังมีลักษณะเป็นป่าจริงๆมีป่า ให้เขาออกไปนะ่ะมีโขงช้างอยู่โขงหนึ่งมีโขงช้างอยู่โขงหนึ่งโขงช้างโขงนี้นะ่ะประหลาดมากในวันเพ็ญสิบห้าค่ำหัวหน้าซึ่งเป็นจ่าโขงนำโขงมาประชุมอยู่กลางป่าแล้วหัวหน้าก็ใช้ประชุมลูกน้องเอางวงนี่นะ่ะดูดน้ามาชะล้างบริเวณให้สะอาดและแสดงธรรมให้พวกทางฟังที่เรียกแสดงธรรมนะ่ะก็เพราะว่า ไม่ระหว่างนั้นน่ะมีช้างเชือกหนึ่งมีช่างเชือกหนึ่งเป็นช่างพังครับเป็นช่างพังซึ่งเป็นบริวารของช่างป่าสงนี่ช้างเชือกนี้น่ะเป็นลูกช้าถูกเขาจับถูกเขาจับได้ชาวบ้านในในแถวในชาวป่าทถวนั้นจับได้จับได้เขาก็เอามาเลี้ยงเอาไว้เลี้ยงในบ้านเล่นกระลูกเต่าเขาก็ทช่างเชือ่องแล้วเขาก็ให้ลูกเขาขี่สงอาหาราไปถวายพระที่วัดใกล้ เ ว, เวลาเช้าเวลาเทลตบเป็นโตให้พระก็ลูกงเท่าหนาจะเอาเป็นโตเนี่ยขึ้นหลังช้างช้างตัวนี้เจ้าของตั้งใครชื่อว่าอีตุ้มขี่หลังอีตุ้มไปถวายข้พาพระที่วัดทำอยู่เป็นอาชีพเดียลูกช้างตัวนี้ระลึกควลลกามได้ว่าเคยตามแม่ของมันไปฟังช้างภูริศแสดงทรรในป่าแล้วก็ข้อธรรม ท, ที่ข้อธรรม ท, ที่พระโูริศช้างสแสดงนะ่ะก็ได้แก่เรื่องอ่าเบญจาการรักษาศีลเรื่องศีล ให้สอ น, นึ่งศีลในฟังขอนในพูกชางโดยการให้ตั้งมั่นรักษาะศีลอย่างให้เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายอย่าให้เบียดเบียนมนุษย์ให้ตั้งอยู่ในสัจจะให้ถือมั่นในสัจจะลูกช้างตัวนี้จเจริญเติบโตอยู่มาได้ถึงเจ็ดหรือแปดปีช้างขนาดที่เจ็ดแปดปีก็ตัวโตพอสมควรแล้วก็พอดีมีคนมาซื้อซื้อจากบ้านนี้ไปบ้านนี้เขาว่าขายให้ลูกช้างตัวนี้เสียใจจําได้ว่าแม่ร้องไห้ในความรู้สึกแล้วก็ติดตามเจ้าของใหม่ข้ามจังหวัดไป พอดีไปตายกลางทางด้วยความตรอมใจพอตายเสร็จความรู้สึกเป็นมนุษย์ทันทีออกจากร่างทางแล้วความรู้สึกว่เป็นคนร่องรอยไปร่องรอยไปเรื่อยล่องรอยไปกระทั่งเข้าไปในบ้านชาวนาแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชข้ามจังหวัดไปบ้านชาวนาเลยไปเป็นลูกชาวนาเป็นเกิดมาในชาติใหม่คือในชาติปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้หญิงตั้งแต่เล็กจึงชาดได้ว่าชาตก่อนตัวตเป็นท้้ง อาศัยบุญกุศลที่อาศัยให้เขาขี่ไปถวายอาหารพระในวัดทุกวันทุกวันเนี่ยอันนี้สงว่ารนี่ส่งตัวให้มาเป็นมนุษย์นะเล่าเลยมนุษย์ถึงความกล่าวว่าตัวน่ะเมื่อยังเป็นชาที่เป็นช่างอยู่เคยติดตามแม่ไปฟังทำพญาช่างโคติสัตว์ในป่าเขาสวนกวางพอตัวเป็นโตเป็นสาวขึ้นเลยบวชเป็นชีบวชเป็นชีแล้วมาบวชที่เขาสวนกวางเล่าความเดิมให้กับท่านเจ้าสมนักสงฆ์เขาสวนกวางฟังกระทั่งพาชาวบ้านไปขุด ขุดของในชาติก่อนที่ตัวเป็นลูกช้าน่ะได้ฝังของกินเอาไว้ฝังพวกกล้วยฝังต้นกล้วยขุดจะไว้เมื่อไปขุดแล้วไอพีตรงนั้นน่ะเป็นใบซองแห้งๆขึ้นมากล้วยเกิดนเน่าหายไปหมดละมีมีเป็นใบตองแห้งๆเป็นทับทับทั บ, ท บ, ทบขึ้นมาใน ด, ดินีเล่าความไปแล้วก็าร้องไห้ไปว่าจําได้ดีทีเดียวชาติก่อนตัวน่ะได้เกิดเป็นช้างแล้วก็ยืนยันว่าได้ฟังเทศพยาช้างโพธิสัตว์ที่ท้ายป่าท้ายเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นจริงๆนี่เป็นเรื่องราวของช้าง ทางโพธิสัตว์ในเมือไทนะเรื่องราวเรื่องหนึ่งครำนี้เรื่องปลาโพธิสัตว์อีกอีกเรื่องหนึ่งปลาโพธิสัตว์เรื่องนี้เกิดขึ้น อ, อ, อเกิดกับท่านพระครูสารพานมุนีเวลานี้ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดศีเทพประดิษฐานจังหวัดนครธนมปัจจุบันมีอายุแปดสิบกว่าแล้วยังมีชีวิตอยู่อาท่านเล่าให้ผมฟังเองว่าเมื่อท่านยังมีสมณะศักดิ์เป็นพระครูสารพานอยู่ ราวๆปีพศ8 2 8 3ท่านบาว่าคืนวันหนึ่งหลังจากท่านสวดมนต์แล้วจะเข้านอนพอยังไม่ทันจะเอนตัวลงมองไปที่หน้าเตียงก็เห็นปลาอยู่สี่ตัวโผล่ขึ้นมาปลาเป็นปลาช่อนปลาช่อนตัวใหญ่สี่ตัวดิ้นผาดๆอยู่หน้าเตียงท่านท่านก็แปลกใจที่เห็นมิดเช่นนั้น จินหามบอกว่าปลานามม้ํำในโขงมีอยู่ทํำไมไม่ไปไม่ไปมาอยู่ที่นี่ทาไมปลาสีตัวตอบเป็นภาษามนุษย์บอกพระครูสระพานรู้ไม่ว่าเราทาั้งสีเนี่ยเป็นใครท่านพระครูก็บอกแปลกใจปลาพูดภาษาคนได้ก็ถามบอกว่าก็ท่านุัสีเนี่ยเป็นใครเล่าปลาสีตัวก็เล่าว่าว่ า, วาพระครูสระพานเราเป็นภูติสัตว์มาสร้างบา ร, รมีเวลานี้ สวยมีบากรรมอยู่ถูกเขาจับไปจักขังไว้พระครูสารพานจนที่พึ่งด้วยเถอะท่านก็บอกว่าใครเล่าที่จับท่านและที่ท่านอ้างว่าท่านเป็นโพธิสัตว์นั้นท่านมีสักดรีพยานอะไรในการที่ท่านอ้างว่าท่านเป็นโพธิสัตว์ปลาสีตัวก็ตั้งนโมให้ฟังสามจบบ อ, ออยอยบอกว่าเชื่อแล้วหรือยังว่าเราเป็นโพธิสัตว์พระครูสรพานบอกเชื่อแล้วจะช่วท่านแน่ใครเล่าสี่คนเป็นคนจับท่านไวปลาก็ตอบบอกว่าไหนมาก ในมากคนนี้นะ่ะเป็นล้านชายโยอุปทาของพระครูสรรพานบ้านอยู่เต้าวัดสีเทศไปประมาณติดเส้นเตศหมอจับม่มากจับเอาไว้ไว้พระครูสารพันจะรับาบาปหมอจะช่วยแน่ขายวับไปเลยในมิตนั้นพอวันนี้อุ่นขึ้นท่านก็ถือบาปลงในบ้านในมากไปถึงกระขานโยมซึ่งเป็นป้านในมากบอกว่าในมากอยู่ไหนให้มากอยู่ไหนโยมก็บอกว่าไม่อยู่ไปนาอยู่สามวันแลยังไม่กลับท่านก็สั่งให้น้องสาวในมากว่าเอาขันหลุกโต ขันทอเหลืองที่ใส่ข้าวตักบาตพระเนี่ยลูกโตโตใส่น้ําไว้แล้วทำกิริยาเหมือนพระ อ, อุบาลไปหายมาที่นาบอกกับมันบอกว่าพระครูที่วัดให้มาเอาปลาที่มันจับสีตัวกระชองกระช่าเผือกสีตัวให้มาเอาไปทํามันจะคิดราคาะตุ้สตาง้วก็ไปคิดกระทนที่วัดตอนาสายหลานสาวในมากก็ไปทาตามในมากก็ตกใจว่าท่านรู้ได้ไงหลวงพ่อรู้ได้ไงขาจัดที่ร้องในทุ่งนี้่เขังมาในโอ่งสามคืนแล้วนล่นะวันนี้เป็นวันที่สามแล้วนี่อ้าวทาไมท่านรู้ได้ไงล่ะ ก็มาครับหมาไม่เอาตังละถวายท่านไปท่านก็เอามาดูเป็นปลาช่อนเผือกตาแดงจำทีเดียวผิดผิดปกติที่ปลาช่อนธรรมดาคือตาแดงกจำมากแล้วก็เป็นปลาช่อนเผือกด้วยทั้งสี่ตัวท่านก็ดีใจบอกว่าเออเราได้ทามหารการุสุแล้วพระโพธิสัตว์เนี่ยสวยพระชาติเป็นมัชฌามบำเพ็ญบารมีแล้วก็ถูกพวกอาบาปปะชนุนมาจับเร็วเวลานี้เราไถ่ชีวิตปลาโปธิสัตว์ได้ก็ไป ท, ทําพิธี ลอยในกลางแม่น้ำโขงท่านเอาเอรือไปกลางแม่น้ำประกาศเทพยดาแล้วก็บวงสวงประกาศปล่อยปลาโพธิสัตว์ทั้งสี่ตัวลงไปในในน้ำโขงต่อไปเวลานี้ท่านคนนี้ยังมีชีวิตอยู่เป็นพระราชาคณะที่อ่าพระเทศเป็นพระเทพประสิทธาจารย์เทประดิษฐานเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นจากปรากฏการณ์ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในยุคของเราในโช่วชีวิตของเราปัจจุบันเนี่ยจึงเป็นเครื่องสนับสนุนความมั่นใจว่าเรื่องราวต่างๆในชาดกไม่ใช่จ เ, เรื่องนิทานสําหรับฟังเล่นๆหรือเป็นนิทานอิงคติพจน์อย่างความเข้าใจของพวกเราที่เคยมีแต่ก่อนแต่เป็นเรื่องราวจริงๆของบุคคลที่จะเป็นพุทธภีมทางตูนคือเป็นหน่อนเนื้อเป็นพระพุทธเจ้า ได้บำเพ็ญบารมีมาแล้วในอดีตการ์ท่านย่อมสวยพระชาติต่างๆถืดแต่ว่าอ่าอะไรที่จะพาไปคือกรรมของท่านยังไม่หมดตราบใดเพราะว่าเป็นพระภูติศัตว์ก็ยังไม่สามารถจะหักร้างกรรมเก่าได้ก็ต้องไปตุกทุกในอย่างบั่งอะไรต่างๆบ้างแต่แล้วก็คาดแค้ไปได้เพราะมีคนดีช่วยอย่างกรณีปลาช่อนสีตัวนี้ก็เพราะว่าอํานาจมโนมยิฐทิ่ของปลาสีตัวซึ่งเป็นเชื้อชาตินอกทางกูลนี่เองอะได้ส่งกายทิพย์มาดนใจ ให้ท่านพระครูสะพานเห็นเหตุการณ์มาบอกเล่าให้ไปช่วยท่านตัวได้ถ้าเป็นปลาช่อธรรมดาที่ไหนจะมีอํานาจวิเศษอะไรมาปรากฏขอร้องให้คนไปช่วยได้นี่แหะครับจึงทําให้เราเชื่อมั่นว่าเรื่องราวทาดกไม่ใช่เรื่อ ง, าาองนิทานคราวนี้มีปัญหาว่าถ้าไม่ใช่เรื่นิทานแล้วทําไมบางครั้งเรื่องบางเรื่องจึงไปพ้องกับในเรื่องคาถาสตรีสาคอนในบรรคดีสังสกิริบงังไปพ้องกับเรื่องบางเรื่องในฮิโตูประเทศบ้างไปพ้องกับเรื่องบางเรื่องของนิทานอิศก บ, บ้าง เขาไม่พ้องกันยั้นงล่ะไอ้พี่พ้องนั่นไม่ใช่อื่นไกลครับทป็นทางหลายคือเรื่องราชาดกทั้งหลายก็ทราบแล้วว่ะเป็นเรื่องมนุษก่อนพุทธกาลทั้งนั้นคราวนี้มนุษย์ก่อนพุทธการนี่แหละมนุษยชาติอะไรที่เจริญที่สุดในโลกคือมนุษย์ชาติเผ่าอารยันเป็นเจริญที่สุดในโลกมนุษยชาติเผ่าอารยันนะเป็นเจริญที่สุดแล้วก็เรื่องราวต่างๆทั้งพระภูมิที่ศัพท์เหล่านี้น่ะเป็นเรื่องประทับใจของมนุษย์เผ่าอารยันหรือเกิรน เพราะว่าเป็นธรรมเนียมอยู่ซึ่งในคำพีท่านบุกระบุว่าพระโพธิสัตว์ที่จะมาสร้างบา ร, รมีน่ะจะต้องมาสร้างในชมพูทวีปพระพุทธเจ้ามาตรัสก็ต้องมาตรัสในชมพูทวีปใครนี้นักเรียนปัจจุบันบางท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมาต้องสูกข่าวประเทศอินเดียเรือยไปนะ ทำไมพระองค์บริษัทจะไปเกิดในประเทศอื่นไม่ได้หรือทวีตอื่นไม่ได้หรือยุโรป อ, อเมริกาไปเกิดบ้างไม่ได้หรือทํำไมจะต้องเอาแต่อินเดีดยล่ําไปถ้าผู้จัดการที่โกรธพระองค์อลีก็ตามปัจจุบันก็ตามอนาคตก็ตามต้องมาตรับในอินเดีเยเรื่อยไแหละอินเดียมีดีอะไรท่านทั้งหลายคำใบคาพูดีปากนั่นแหะท่านทั้งหลายอย่าเนืก้กับประเทศอินเดียนะข้อนี้น่ะเป็นข้อสันนิฐานของผมซึ่งได้ค้นคนว้ามากระทั่งมั่นใจตัวเองแล้วจึงได้เสนอความคิดอันนี้หลายครั้งต่อที่ประชุมหลายแห่ง แล้วก็ได้เขียนเป็นบทวิจาร์เป็นข้อความเป็นหนังสือพิมพ์ไปแล้วคือผมเลยกระนิษฐานว่าคําว่าชมพูทวีปในคมภีร์ไม่ได้หมายความที่ตะวันอินเดียแต่หมายความว่าโลกนทั้งโลกนี่แหละครับเป่นชมพูทวีปโลกนทั้งโลกนี่แหละชมพูทวีปเอาเหตุผลอะไรมาอ้าวว่าโลกนี้ทั้งโลกเป็นชมพูทวีปก่อนอื่นเราวิเคราะห์คําว่าทวีปซะก่อนทวีปแปลว่าอะไรแปลว่าแผ่นดินตื้นน้ำล้อมรอบ เียว่าทวีปคือเกะขึ้นเองเกาะมันค ม, มาเรียกว่าทวีปนะเท่านี้เท่านี้นโลกเราทั้งโลกนี่ยมีน้ํำรอบๆไหมไอ้น้ำ ม, มีไหมไอ้น้ำพระโบราณอาจารย์นะ่ะท่านความรู้ภูมิศาสต์ก้าวหน้ากว่าพวกเราปัจจุบันนะท่านรู้นะไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่าโลกเราเนี่ยมีน้ํำรอบๆคือไอ้น้ำรอบๆเรา โลกเราจรึงมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเรียกว่าทวีปประการหนึ่งอีกประการหนึ่งแผ่นดินต่างๆถ้าเราสามารถทําแผนที่โลกสมัยโลกล้านปีมาดูแล้วเราจะเห็นได้ว่าทวีตเอสเอยเอัแลนติดเออยอสเตเลียเออยแอริเออยอเมริกาแ อ, อเมริก า, กาต้ายุโรปเอยทวีตทั้งหมดเนี่ยความจริงเป็นแผ่นดินเดียวกันหมดติดต่อเป็นพืชเดียวกันหมดเลย เพราะฉะนั้นคนโบราณเมื่อหลายหมื่นปีอ่ะเช่นพวกมังกรอยจึงสามารถเดินทางไปทางไต้เวียเข้าไปตั้งลูกกล้ในอเมริกาเหนือเป็นพวกเอสปิโมไปและต่อจากอเมริกาเหนือก็ลงไปอเมริกาใต้เดินถึงกันหมดไม่ต้องไม่ต้องขี่เรือไม่ต้องเลยเดินถึงกันหมดแล้วก็พวกเผ่าโบลิเีเซียนสามารถเดินทางจากแรมอิโนโดจีนลงไปทางซุมารตราชาวาแผ่นดินมันเกาะกันเป็นพื้นไปหมดเป็นคอขอดเป็นช่องแคบไปเดินถึงกันหมดกระทั่งไปถึงควินออสเตรเลียก็ยัยงได้ สัตว์ป่าต่างๆเช่นเสือด้วนแต่เดินมาจากทางบกลงมาในอยู่เกาะของม น, นนะและภายหลังโลกธรณีวิทยาเปลี่ยนแปลงเกิดแผ่นดินไหวเกิดน้าท่วมภูเขาไฟาใต้สมุดระเบิดเปลี่ยนแปลงภูมิประเภทของโลกให้กลายเป็นแผนที่ปัจจุบันนี้หรืออย่างเช่นอฟริกากับยุกับเอเชียถ้าไม่ขุดคลองทูเอ็ดมันก็แผ่นดินเดียวกันติดต่อเดินบกถึงกันได้หรือยุโรปกับเอเชียเวลานี้ก็เห็นผลเพ่าว่าติดกันแผ่นดินเดียวกันนอกจากว่ามีทะเลสาบแคสเปียนขัดกัน แล้วก็มีเถือกภูเขาอูรานตันอื่นกันแล้วก็เป็นแผ่นดินเดียวกันหมดเดินถึงกันไม่แปลกเลยนี่นะครับแทนที่โลกสมัยหลายล้านปีนี่เนะี่ยไม่มีทวีปแบ่งเป็นออสเตรเลียออฟริกาอย่างเราแบ่งอยู่นี่เหรอเป็นผืนแผ่นดินแผ่นดินเดียวกันหมดแล้วก็มีน้ามาหาสมุทรล้อมรอบผืนแผ่นดินเดียวกันนี่แหละดีกว่าชมพูดีปะชมพูดีปะ่ะหรือชมพูทวีปอ่าประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งถ้าเราจะอ้างบอกว่าชมพูทวีปหมายถึงอินเดียแถ้าอย่างนั้นอุตรกุรุหละ่ะหมายถึงอะไรก็ทวีปโบราณอุตรคุรุทวีปอุพวิเทหะอัมรคโคยานีแล้วก็ชมพูดีปะทวีปใหญ่สี่ทวีปน้อยสองพันี่อุตรกุรุทวีปเราก็ต้องไปที่รัเสเซียหรือไซบีเรียสิอุตรคุรุเหนืออินเดียขึ้นไปนี่น ะ, ะแล้วในตำนานลา่าบอกมนุษย์ในอุตรกุรุทวีปน่นะนะอายุไข500ปีเป็นกำหนดไม่ยิ่งไม่ย่อนอายุไข ไม่มีอาการบารณะแก่มนุษย์ในอุตรากุรุทวีปแล้วเดี๋ยวนี้พวกลัทธิผู้ใส่บุญนี่ายุครบห้า้อยปีไหมครบไหมมีหรือเปล่าไม่มีหาไม่พบในปุพภวิเทหะทวีปรเราไปชี้ประเทศจีนบัจจี่นี่แหละปุพภวิเทหนะนะแต่ว่าตามตำนานบอกมนุษย์ในปุพภวิเทหะน่ะแม้ใบหน้ากลมเป็นจันทร์วันเพนเดี๋ยวนี้คนจีนใบหน้ากลมเป็นจันทร์วันเพนไหมไม่เป็นเพราะฉะนั้นอนะปุพภวิเทหะก็ไม่ใช่ประเทศจีนอีกปุพภวิเทหะก็ตามอุตรากุรุก็ตาม อัมรัโคยานก็ตามไม่ใช่โลกมนุษย์เราเป็นคนและโลกต่างจากโลกเราคนแะโลกครับแปลว่าโลกที่มีมนุษย์อยู่ในจักรวาลนี้มีอยู่สี่โลกด้วยกันโลกหนึ่งคือชมพูดีปะคือโลกมนุษย์เราที่พวกเราอยู่เดี๋ยวนี้ทั้งโลกชื่อว่าชมพูดีปะแล้วยังมีอีกสามโลกอุตตรกุรุอีกโลกหนึ่งอัมรัโคยานอีกโลกหนึ่งแล้วก็ ปุพภวิเทห์หายโลกหนึ่งอีกสามโลกนี้ยังเวลานี้วิทยาศาสตร์ยังวิจัยกันไปไม่ถึงเราหวังว่าเมื่อยุคอวกาศถึงที่สุดแล้วเราอาจจะไปชมเพื่อนมนุษย์ในโลกอีกสามโลกนี้ก็ได้ตกลงว่าในจักรวาลของเราเนี่ยมีมนุษย์คล้ายๆอย่างเดียวกว่พวกเราเนี่ยยังมีอีกสามโลกด้วยกันบรรดาพระเคราะอีกสามโลกอยู่ไกลแค่ไหนไม่รู้มีอีกสามโลกด้วยกันที่ยังกินข้าวกินปลามีพ้าหมต้องมอญมอ น, ม, อนมุ้งลุงห่มแบบพวกเราเดี๋ยวนี้เนี่ยยังมีอสามโลก แต่ว่าอายุขัยมนุษย์ในสามโลกนี้น่ะยืนกว่าพวกเราในโลกนี้นะที่ว่ายืนกว่าน่ะก็มีเหตุผลคือว่าการกําหนดวันเดือนปีเรากําหนดด้วยอะไรกําหนดด้วยลูกหมุนรอบตัวเองใช่ไหมเป็นหนึ่งวันหมุนรอบดวงอาทิตย์ใช่ไหมเป็นหนึ่งปีแต่ว่าดาวพระเคราะห์บางดวงนะ่ะหลาจะมุนรอบดวงอาทิตย์นะ่ะจีนเวลาตั้งสี่ปีก็มีสี่ปีของเข้าเป็นหนึ่งปีของเรานี่ยเออเขาก็อายุยืนกว่าเราแล้วถ้ามนุษย์ในโลกนั้นนะ่ะเขาเขาเขาเขาาไปเกิดได้ดาวพระเคราะห์ดวงนั้นนะ่ะวิทยาศาสตร์กลับมารับรองเรื่องความเป็นไปใน ผูมิศาสตร์ในพุทธศาสนาแต่โบราณเนี่ยกลับมารับรองนี่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราก็ตั ด, ตดไปได้เพราะเหตุนั้นแหละในตํานานทังบอกว่าพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าเมื่อจะบําเพ็ญบา ร, รมีแล้วต้องลงมาบำเพ็ญที่ชมพูทวีคือโลกมนุษย์เราเพราะเหตุที่ว่าโลกมนุษย์เราเน่ะสุขทุกข์เห็นกันง่ายคือผู้มีสุขก็สุขอุกฤษผู้มีทุกข์ก็มีทุกข์มหันเหมาะสำหรักเป็นที่สร้างความดีช่วยโลกถ้าไปเกิดในโลกสวรรค์ คิดจะทำทานเทวดาไม่ต้องมีใครมารับบริจากผู้คนกินบุญของตัวเองเราจะสงสารเทวดาคนหนึ่งจะแบ่งบุญให้ก็ไม่ได้ตามคนต่างกินบุญของตัวกินบุญของตัวการสังคมสงฆ์ในสวรรค์ไม่มีทุกคนมีอะไรก็มีอย่างนั้นไปหมดนะเนี่ยมีไม่ได้อ่าจจะออกเขขมฆคำมะออกบัวถือเพศเป็นบันพชิตในสวรรค์ก็ไม่มีอีกไม่มีหรือสีไวคือเพศเป็นมันพชในสวรรค์ก็ไม่มีอ่าจะไปสงฆ์ใครจะไปเป็นม า, านน ร, รมีาายใครเรา มันเพินทรบารมีทั้งสิบไม่สมบูรณ์ในสวรรค์บรนที่นนในธรมโลกยิ่งไม่สมบูรณ์ใหญ่พรมยิ่งไม่ต้องมีทุกข์ไม่ต้องให้รเราพวกเราช่วยทุกข์ของพรหมนะเป็นทุกข์ละเอียดอ่อนเป็นทุกข์ละเอียดอ่อนไม่ใช่ทุกข์อย่างที่มนุษย์เราทุกข์ถ้าไปเกิดในอุตรกุลุหรืออีกสามทวีปลรามนุษย์ในสามทวีปนั้นอายุเขายืนกว่าเราอ น, นิจจังสัญญาปรากฏได้ยากพุกข์สัญญาก็ปรากฏได้ยากเพราะฉะนั้น โรคเหล่านี้แหละเหมาะที่สุดคนอายุยืนก็มีอายุสั้นก็มีโรคภัยต่างๆก็มีนานักตรกรเหมาะสาหรับพระภูริษัตว์จะมาช่วยจะมาสร้างบารมีเพราะฉะนั้นจึงเป็นธรรมนิยามะทำที่พระภูริสัตว์ทุกพระองค์จะต้องมาบรรเทาบารมีที่นี่ถ้าหากว่าพระภูติษัตว์องค์ไหนไปเกิดในสวรรค์ที่มีอายุยืนเกินไปท่านก็ต้องอธิษฐานให้จุติเรียกว่ากระทาอธิการลมุตอธิมุติการกิริยา ที่ษฐานให้สิ้นใจไปเลยมาจุติในโลกมนุษย์มาปฏิสุนที่ใหม่เพื่อมาสร้างบา ร, รมีในโลกนี้ถ้ามาอยู่ในสวรรค์ที่อายุยืนเกินไปน ะ, ะหมดโอกาสจะสร้างบา ร, รมีนี่สร้างได้แต่บา ร, รมีบางอย่างอีกบางอย่างสร้างไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแหละครับพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเรื่องราวในชาดกจึงเป็นเรื่องเกิดขึ้นในโลกมนุษย์เราและมนุษย์ในสมัยดึก ด, ดำบรรณนนะ่ะได้ผ่านเหตุการณ์ความเจริญในชาติต่างๆมาแล้วได้เห็นเรื่องราวได้ฟังเรื่องราวต่างๆของพระโพธิศัตว์มาแล้ว ต่อมามนุษย์เหล่านี้เกาะทรงจำเล่าปากหนึ่งไปสู่อีกปากหนึ่งในสมัยที่มนุษย์เราแยกแยกแยกเป็นเผ่าเป็นหมู่ออกไปตั้งชาติใหม่ๆเกิดขึ้นในทวีปต่างๆมนุษย์เกาะพาเอาเรื่องราวที่ติดใจทิ่สะทับใจไปด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆของอีศุกข์ที่มาพ้องกระชาบกกรดีเรื่องราวต่างๆในวรรณคดีของอินเดียเช่ในที่ตัวประเทศหรือในคาถาสริศสากรกรดีบางเรื่องเป็นเรื่อง เหมือนกับเร่งชาดกทั้งนี้ทั้งมันไม่ได้หมายกว่าว่าชาดกไปเอาจากเรื่องเหล่านี้มาแต่ป็นข้ามเรื่องเรานั้นน่ะไปเอาจากชาดกมานี่ในสมัยที่มนุษย์เรายังอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ยังไม่ได้แยกแยกออกไปเป็นซ้างเป็นชาติเป็นทวีปอย่างในปัจจุบันนะเหตุการณ์เมื่อหลายแสนปีมาแล้วเรื่องนี้ลวกเราจเจริญขึ้นก็สกสมมเสริมลงถึงิมเ่เจริญขึ้นเป็นอย่างนี้แหะครับแต่ในตะไรมาแล้วเป็นอย่างนี้เราจรึงมั่นใจได้ว่าชาดกทั้งหมดเป็นเรื่องจริงแล้วก็ เรื่องเวทขันดอนชาดกที่เราฟังนะ่ะก็เป็นเรื่องจริงด้วยเวทขันดอนชาดกนั้นทําไมเราถึงนิยมฟังกันมากเหตุที่นิยมฟังนอกจากจะเป็นเรื่องธาตุดท้ายของพระโพธิสัตว์ที่มาสร้างบา ร, รมีแล้วเรื่องนี้ยังมีเหตุมาจากธรรมาลายสูตรอีกสูตรหนึ่งเป็นแรงกระตุน้นในคัมภีร์มาลายสูตรซึ่งเป็นของเกิดในลังกาเล่าความทั้งธรรมาลายเ ถ, ถระเจ้ า, า, า, าเป็นชา ว, ชาวลังกา บรรลุเป็นพระอราหันต์พร้อมกับอภิญญาท่านได้ขึ้นไปเฝ้าพระศีอริยเมตรายผู้ดิษฐ์ในสวรรค์พระศีอริยเมตรายผู้ดิษฐ์ได้ตรัสกับพระมาลัยว่าถ้าหากว่ามนุษย์โลกคนใดมีความปรารถนาจะเกิดทันศาสนาของเราแล้วให้ฟังเทศมหาชาพร้อมกับบูชาทูปเทียนอย่างละพันดอกบัวอย่างละพันบูชาให้ฟังจบในวันเดียวกันทั้งสิบสามกันผู้นั้นแล จะมีอานิสงส์เกิดทันาศาสนาของเราในมารา ย, ยาสูตรไ่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอิทธิพลจากมารา ย, ยาสูตรจึงทําให้เทศเวิราชาดกมีคุณค่าสําคัญอย่างยิ่งเพราะทุกคนเองชาวพุทธเราเองก็ปรารถนาจะเกิดทันาศาสนาพระศีอานอยู่แล้วท่านยังบอกวิธีว่าวิธีจะเกิดทันต้องฟังเทศมหาชาติเกิดในวันเดียวพร้อมกับบอกสิ่งบูชาอย่างละพันอย่างละพันทูตูุพันดอกเพียนพันเล่มดอกบัวพันดอก บูชาเทพ13ตันปังจบในวันเดียวนี่แหะครับไม่ใช่เป็นสมบัติของชาวแคว้นสีวีไม่ใช่เป็นสมบัติของชาวเมืองเคตุดรไม่ใช่ช้างตัวนี้เป็นช้างคู่บุญเกิดในวันเดียวกับพระนางขุประดีประสูตรพระเวสสันดรโพธิสัตว์เป็นช้างคู่บุญถ้าจะพูดไปแล้วก็เป็นอ่าสมบัติส่วนบุคคล การที่ชาวแค้นสีวีออาโอวายหาวาพระเวสสันดร น, น่ะบริจาคช้างตัวนี้ให้กับพรามกัลินครัตที่มาทูลขอเพราะว่าช้างตัวนี้น่ะเป็นปัจจยนาเคาสามารถเรียกร้องให้เกิดฝนฝนตกฝนตกได้โบราณก็รับถือกันอย่างนั้นว่าช้างที่เป็นมงคลแล้วสา ม, มารถจะทําให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขช้างปัจจยนาก็เป็นช้างเถือกเชือกหนึ่งเหมือนกันชาวแค้นสีวีจึงไม่พอใจหาว่าพระเวสสันดร น, น่ะ ยกเอาสมบัติของชาติไปให้คนชาติอื่นอันนี้ถ้าวิเคราะห์แล้วจะเห็นว่าเป็นความเข้าใจผิดช้างตัวนี้ไม่ใช่สมบัติของชาติแต่เป็นสมบัติส่วนบุคคลของพระเวสสันดรต่เมื่อเป็นสมบัติส่วนบุคคลของพระเวสสันดรแล้วพระเวสสันดรก็มีสิทธิที่จะยกให้กับใครต่อใครได้พวกชาวแคว้นศรีมีซะอีกที่มาขี้โกงสมบัติพระเวสสันดรเป็นของตนไปมาอ้างแอบอ้างว่าไม่ได้ท้างตัวนี้อย่าเป็นชางชาวแคว้นศรีวีที่น่าเอะอะโวยวายขึ R ้นนี y ่ข้อหนึ K ่ง อีกข้อหนึ่งเราจะเห็นได้ว่าแคว้นกริงคารัตกับแคว้นสีวีนะ่นะอย่าเปรียบกันเลยยักษยักษกับมนุษย์ลหละถ้าจะเปรียบกันช้างกับตัวพึ่งแหละถ้าจะเปรียบกันคือว่าแคว้นสีวีนะ่ะเป็นแคว้นเล็กๆคว้นเล็กๆแต่แคว้นกริงครัตนะ่ะเป็นมหาอำนาจชั้นหนึ่งในอินเดียข้างนั้นอุดมไปด้วยพลสกลไกลพยุหะโยธาต่างๆมากมายการที่พระเจ้า แหละท่าจะเปรียบกันช้างกับตัวพึ่งแหละท่าจะเปรียบกันคือว่าควันสีวีเน่ะเป็นควันเล็กๆควันเล็กๆแต่ควันกริงคราชนะ่ะเป็นมหาอำนาจชั้นหนึ่งในอินเดียข้างนั้นอุดมไปรีพลสกุลไกลพยุหโยธาต่างๆมากมายการที่พระเจ้ากรุงกริงคราชทรงพูดมา ข, ขอช้างปัจญานะ่ะไม่ใช่ขอเปล่านะไม่ได้ขออะไปเป็นเด็ดขาดนะมาขอยืม พียงแต่เขายืมมาว่าเขายืมฉันเอาไปทําให้บ้านเมืองฉันผลตกหน่อยเพราะแรงมาตั้งเจ็ดปีแล้วแล้งมาเจ็ดปีแล้วนะทําทนาไม่ได้ผลเขายืมมาไปไม่ใช่โกงอะอยทั้งตัวหรอกเมื่อฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลแล้วจะเอามาคืนให้คราวนี้ถ้าหากว่าพระเวสสันดรไม่ยอมให้ผลจะมียังไงเกิดขึ้นแน่นอนสองครามแน่นอนครับกองทัพจากกรีนขราจะต้องบุกศรีวีแนะ่แล้วควนศรีวีซึ่ง เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายก็ต้องชิปหายปกไปเมืองขึ้นเขาประชาชนราศฎรสีวีก็จะกลายเป็นเฉลยศึกเพราะฉะนั้นการที่พระเวสสันดรน่ะยอมยกช้างปัจจยนาให้เข้าไปนะ่ะจึงเป็นการช่วยชาติช่วยชาติโดยตรงทีเดียวเป็นการตัดการทํำสงครามช่วยสร้างความสุขให้กับประชาราชนสีวีให้ปลอดภัยแต่เป็นความเข้าใจผิดรู้เท่าไม่ถึงการของพวกแฟนสีวี มองพื้นเกินไปเห็นไปว่าพระองค์ยกสมบัติของชาติไปให้ศัตรูหรือไปให้ผู้อื่นเขาแล้วก็ตามเรื่องราวก็ปรากฏว่าพอแคว้นกรีนคราชได้ช้างตัวนี้ไปแล้วไม่ช้าผลปลาตกป่องตามบรรลูกันเขาก็ทรงมาคืนพร้อมกับมีราชสารมาขอบ อ, อกขอบใจเป็นการใหญ่นี่เราจะเห็นได้แล้วว่าพระเวชนดอนท่านทาถูกตั้งแต่กรณีแรกคือเรื่องให้ช่างเป็นทานถูกแล้วไม่ว่าจะมองในแง่การเมืองหรือมองในแง่ส่วนตัว เราสํานิท่านไม่ได้เลยตอนนี้พิจรารณาต่อไปในข้อว่าในข้อที่ท่านให้ลูกเป็นทานให้ชาลีกันหาตะชูทกเป็นทานถูกไหมในข้อที่ท่านให้ชาลีกันหาหรือให้พนางมัตสีเป็นทานนั้นถ้าเราเอาจิตใจอย่างพวกเราปพลุชนธรรมดาที่หนาเบกิเลสมาวัดจิตใจท่านเราก็อาจจะโวยวายว่าเห็นแต่ตัวเห็นแต่ตัวดูที่ลูกเมียไปละเกี่ยวยกย่องให้เขา เ hey, ให้เข้าไปหมดเนี่ยแต่ว่านั่นนั้นเราพูดตามวิสัยของเราที่มีกิเลสที่ยังเป็นบูติชนแต่ถ้าเรามองด้วยใจพระเวสสันดรแล้วตรงกันข้ามพระเวสสันดรท่านเป็นโพธิสัตว์เราเป็นโพธิสัตว์ตรหรือเปล่าก่อนเราตั้งปัญหาถามนี้ว่าเราเป็นโพธิสัตว์หรือเปล่าและการที่พระเวสสันดรให้สิ่งเหล่านี้ไปให้เพื่อหวังอะไรให้เพื่อเพื่อหวังชื่อเสียงพระ อ, องค์เองหรือให้เพื่อหวังความสุขของพระ อ, องค์เองหรือ ถาเพื่อชื่อเสียงเพื่อความสุขแล้วลูกเมียเป็นที่ระดังแก้วตาจะให้เขาไปไม่ได้หรอกจะต้องอยู่กับลูกอยู่กับเมียแต่ที่พระองค์ให้กับเขาไปได้ก็ด้วยหวังพระโพธิญานพระโพธิญานเพื่อใครถามต่อไปอีกเพราะว่าการที่พระองค์หวังโพธิญานเนี่ยการหวังโพธิญานนี่เพื่อใครเราก็ได้ได้รับคําตอบว่าพระโพธิญานนั้นก็เพื่อสัพพสัตในไตรโลก บอกกลงว่าการทำประโยชน์การใช้ทาลุ่งพระเวสศนดอนน่ยไม่ใช่เพื่อพระองค์แต่ละแต่เพื่อสัตวโลกทั้งหลายเป็นการทําประโยชน์หมู่มากโดยที่พระองค์ยอมเสียประโยชน์สุขสุนพระองค์เองยอมทุกในส่วนพระองค์เองเพื่อความสุขของชนมหาศาลทั้งโลกการกระทําอย่างนี้เป็นการเห็นแก่ตัวหรือมนุษย์ที่มีความเห็นแก่ตัวทําได้อย่างนี้หรือถ้าหากว่าเราถือว่าการกระทําอย่างนี้เป็นการเห็นแก่ตัวแล้ว เราก็น่าจะตําหนิบรรดาทหารทหารที่ไปตายเพื่อชาติว่ะทหารเราเนี่เห็นแก่ตัวเพราะอะไรเพราะว่าแม่หรือก็แก่ในบ้านไหนมีใครเลี้ยงลูกดิก้งก็ผงแดงแดงแม่อีหนูก็ลูกก็ยังสาวเอ่ออะไรไปเป็นทหารรบสงครามป้องกันประเทศชาติเห็นแก่ตัวนี่ทหารคนเนี้ยอ่าถ้าใครมีความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็ชาติชาตินั้นจะต้องล่มจมแน่ถ้าประชาชนในชาตินั้นมีความรู้สึกเช่นนี้ต่อทหารแล้วก็ หาวทหารที่งูกที่เงียไปรถเพื่อชาติว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่ชาชาตินั้นจะต้องวิบัตดลมจมแน่ทหารไปรถเพื่อชาติเราไม่ถือว่าเป็นการเห็นแก่ตัวแต่เราให้ความยกย่องว่าเป็นวีรชนชั้นใดบรรดาพระภูทิศัตที่บรรเทนบารมีอย่างอุกฤษถึงขั้นสละชีวิตสละลูก้าสระเมียเป็นทานก็มีอุปมาดุจเดียวกับทหารสืบเป็นวีรชนของชาติชั้นนั้นเหมือนกันแต่ว่า วัตถุประสงค์ของพระโพธิศัตย์ยิ่งกว่าทาหารทาหารหนักเพียงก็เพื่อชาติแต่พระโพธิศัตย์นักรถกิเลสเพื่อเห็นแกส่สัตรรพสัตว์ไม่มีชาติและก็ไม่จํากัดมนุษย์แต่แผ่ไทสารเทวดาอินธมยมยักษ์รวมทั้งเดรัจฉานไปด้วยรวมทั้งหมดไปด้วยนี่แหละครับเป็นลักษณะมหากรุณาของพระโพธิศัตย์เจา้ามีคนจะทําได้อย่างนี้คราวนี้เรามองในแง่พ่อกับลูก ว่าเอาล่ะที่พูดตะ ก, กี้นี่น่ะเป็นเรื่องของตลาดประโยชน์ส่วนน้อยเพืประโยชน์ส่วนใหญ่ตอนนี้มองในแง่พ่อกับลูกว่าถ้าเวทสันดอนน่ะก่อนที่ท่านจะยกลูกให้กับเขาเนี่ยท่านได้คิดวางแผนกันอะไรเพื่ออนาคตลูกทพันใหล้ลาบากไหมท่านวางแผนเหมือนกันดังจะเห็นได้ว่าท่านบอกดังๆให้ชูชกได้ยินบอกชาลีกันหานะว่าชาลีกันหาลูกเอ้ยถ้าหากว่าลูกไปอยู่กับพ่อเถ่าชูชกสุนีไปแล้วนะ ใครจะมาเอาตัวลูกไถ่ไปแล้วก็พ่อตีราคาลูกแต่ละคนแต่ละคนนะสําหรับชาลีนะ่ะต้องผู้ที่มีทองพันลิ่มถึงจะมาไถ่ายชาลีได้ส่วนแม่กันหาน้องนางซึ่งเป็นคนเล็กนะ่ะจะต้องผู้มีโคร้อยตัวช้างร้อยตัวม้าร้อยตัวอแล้วก็ทองพันลิ่มเงินพันลิ่มทาสาร้อยคนทาสีร้อยคนรถร้อยเลนมาไถ่ แม่ถึงจะยอมตัวไปอยู่กับเข้าหน่าแม่นะท่านสัง่งท่านอย่างนี้ชูชกฟังหูผึ่งทีเดียวชูชกแกเป็นคนฉลาดนี่ถ้าเราเอาเอ า, เอาใจชูชกมาใส่ใจเราบ้างนะว่าเออเราได้ลูกเข้าไปสองคนชายคนหญิงคนก็ยังเล็กอยู่ผู้หญิงเกาะไม่เกินเจ็ดขวบผู้ชายก็ไม่เกิน1ิสองได้ไปสองคนอย่างนี้ก็อย่างมากเอาไปตักงานตักตักข้าถูบ้างถูเรือนทำนี้เอง จับไอ้พี่ว่าเอาไปขายเราะได้สินไถ่มากมายพอที่มันเป็นมหาเศรษฐีทันตาเห็นน่ะเราจะเลือกเอาอย่างไหนแน่นอนละ่ะชูชกซึ่งเป็นอนักเศรษฐกิจตัวยงในตัวแล้วแกก็ต้องเอาเอาชาลีกันหาไปไปขายคือเอาสินไถ่ล่ะสิคราวนี้ใครบ้างเราที่จะมาไถา่ด้วยราคาข่างวดอันมากมายอย่างนี้เว้นเสีแต่ผู้นั้นเป็นเลือดเนื้อเชื้อไข่ด้วยแ่มก็เท่ากับว่าพอเวสต์ซันดอนน่ะ ได้ข อ, อยืมมือชื่ทูชกให้พาชาลีกันหาออกจากป่าไปหาปู่เท่านั้นเองสอิพระเจ้ากุงสนชัยนั่นแหละจะเป็นผู้ถ่ายอพระเจ้ากุงสนชัยนี่แห ล, ะ, ละจะเป็นผู้ถ่ายไม่ใช่ใครหรอกครับพระเจ้ากรุงสนชัยนี่แหละซึ่งเป็นพายการนี่แหละจะเป็นผู้ถ่ายกษัตริย์หรือเศรษฐีบ้านไหนเมืองไหนเขาจะมาถ่ายกันเด็กกระเปียกสองคนเองเอาไปทำอะไรทองคํานาพันธ์ลิ่มช่างม้างัวควายทาสีทาใสมากมายอย่างละร้อยเอาไปทําไมกัน เขาซือได้คนตั้งมากมายยิ่งกว่านี้ดีกว่าคนสองคนก็เท่ากับว่าชูโชคหนะ่าจะต้องมุ่งพาเด็กสองคนนี้มาหาปู่เพราะว่าจะไปที่ไหนเขาก็ไม่เอาแล้วนี่นะปู่น่นแหละจะเป็นคนถ่ายปู่กับย่าเลยจะเปหนผู้ถ่ายเองแล้วก็การก็เป็นไปตามที่พระองค์เก่งไว้จริงๆพระเจ้าคุงสรนัยพระนางขุศดีถ่ายจริงๆดังๆงงคาที่อาชูโชคบอกว่าตีราคาเขาไว้สันดอนตีราคาอย่างนี้อย่างนี้พระเจ้าคุงสนรนแยพระนาคขุศดีที่แรกไม่เชื่อหาว่าชูโชคไปขโมยเด็กมา แต่เด็กสองคนก็ยืนยันบอกว่าพระบิดาได้ยกให้กระชูชกไปจริงๆแล้วก็พระบิดาได้ตีราคาค่างวดไว้จริงๆชูชกเลยกลายเป็นเศรษฐีทันตาเห็นในวันเดียวกันเลยวันเดียวกันที่พาพาหลานของคนมาหาปู่ได้เป็นเศรษฐีทันตาเห็นแล้วก็ยิงนกที่ได้ยิงที่ได้ น, นกหนึ่งสองตัวนะคือว่าประโยชน์เกิดขึ้นหนึ่งที่พระนะที่พระองค์ให้ให้ลูกเป็นทานเนี่ยประโยชน์เกิดขึ้นสีสถานข้อแรกชื่อว่าบัณฑิตจับปริจาคัน ข้อสองชื่อว่าทําให้พระโอรสธิดาไม่ต้องตกรกรรมลาบากในป่ามาจับอยู่ในอ้อมอกของปู่ข้อสามทำให้ชูโชซึ่งแก่ยากจนน่ะได้เป็นเศรษฐีรวยทันตาเห็นข้อสี่พระอาัยการได้ฟังนักดาทั้งสองเล่าถึงความทุกข์ยากของโอรจสจัสมิสาแล้วมีความเศร้าขะไถ่บรรดาชาวสีรัตทั้งปวงก็มีความเศร้าใจสงสารพระเวทสันดรพากันยกโทษให้มาทูลเชิญให้เสด็จกลับไปสวยราช ได้ประโยชน์ถึงสีสถานการกระทำของพระเวชนนท์จึงไม่ใช่เป็นการกระทําที่โง่เขาอย่างที่พวกเราบางบางคนเข้าใจแต่เป็นการกระทําของบัณฑิตที่เห็นการไกลที่เอาประโยชน์ได้ทั้งปัจจุบันและสัมปรา이ภพนี่ข้อนี้นะครับเห็นได้ชัดเจนทีเดียวคราวนี้ข้อสุดท้ายเรื่องให้พนางมัตสีเป็นทานพนางมัตสีนะ่ะใครใคก็รู้ว่าเป็นยอดนิ่งขวัญแก้วภริยาเป็นเมียแก้วเมียขวัญที่ดีเพราะฉะนั้นการที่ พระเวทท่นนอนยกพระนางมัตสีให้น่ะพระนางมัตสีก็รู้อยู่กับใจว่าพระเวทท่นนอน่ะมุ่งประสงค์อะไรพระนางก็ยินดีที่จะร่วมเสียสละกับพระองค์ยอมให้เป็นเครื่องมือของพระองค์เพื่อที่จะช่วยกันบ่มโพธิญานให้สุขงอมเพื่อประโยชน์แก่มหาชนในอนาคตการเรื่องหน้าเพราะฉะนั้นเมื่อพราหมณ์จำแรงมาขอพระนางมัตสีจากเขาเวทท่นนอนพระเวทท่นนอนบอกยกให้แล้วยังไม่แน่กับพระไทยกลัวพระนางมัตรีจะเศร้าใจหรือเสียใจ ได้พินพพักขอสเสนมาดูหน้านางมัตสีว่าจะมีแสดงอาการมีการอย่างใดปรากฏหรือไม่นางมัตสีก็ได้ทูนออกด้วยน้ำใจแกล้วกล้าเยี่ยงสุรนารีว่ากมารียะท่าหังภริยาทามีโกมะมะอิตรโรยักษิเชตสมังดัชชาวิจีเนยะเนยยาวะแปลความว่ามอมฉันผู้องอาจเป็นเทวีของพระองค์ท่านใด องค์ท่านนั้นเป็นพัสดาของหม่อมชันเมื่อพระองค์ท่านจำรงให้หม่อมชันแก่บุคคลใดก็จงประทานให้แก่บุคคลนั้นเถิดพึงขายหรือพึงหม่อมหรือพึงค่าเสียก็าตามหม่อมชันยอมทั้งนั้นนี่แสดงว่าจิตใจของนางวัดซีน่ะเป็นเปี่ยมแล้วเข้าใจในเหตุผลของสวามีแล้วพระนางจึงไม่เสียใจเศร้าใจยินดีเป็นการช่วยพระสวามีให้สําเร็จในวัตถุประสงค์เสร็จแล้วพราหมณ์ผู้นั้นก็เป็นพราหม์ที่มาทดลองนั่นเอง ได้คืนพระนางมัตสีให้ใครเลยที่จะกล้ารับพระนางมัตสีไปถ้าสมมติว่าเราเนี่ยนะไปเจอคนอย่างนั่นเข้าคู่หัวตัวเมียที่มีความรักมั่นคงและเข้าอกเข้าใจตั้งถนาดนั่นเข้าเรายังพอที่จะใจไม่ใสะ ก, กรรมทำมิหินชาติที่จะภาคเขาได้หรือทําไม่ได้แน่ถ้าหากว่าเรายังมีความเป็นมนุษย์อยู่ในสันดานเพราะฉะนั้นในที่สุดพระนางมัตสีก็ไม่ได้เสียอะไรไปเด็กกลับคืนมาสู่สำนักพระสวามีเรื่องเวทนอนชาดกจึงเป็นเรื่องที่ให้คติ ในการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพราะฉะนั้นโบราณอาจารย์ของเราจึงได้เลือกเอาชาด ก, กเกี่รื่องนี้มาเป็นเทศประจํายิ่งกว่าชาดกเรื่องอื่นๆก็เพื่อที่จะมุ่งหวังสอนให้ประชาชนรู้จักประโยชน์ส่วนรวมเโดยการเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเราจะเห็นได้ว่าสังคมไม่ว่าทุกยุคทุกสมัยมีความเดือดร้อนน่ะไม่ใช่เดือดร้อนเพราะคนเสียสละความเดือดร้อนส่วนใหญ่มาจากคนที่ไม่รู้จักเสียสละ ถ้าหากว่าทุกคนรู้จักเสียสละอย่างพระเวสสันดรแล้วสังคมนี้ก็จะน่าอยู่นะโลกนี้ก็จะน่าสิริร ม, มากโลก เ, เคยเดือดร้อนเพราะคนเสียสละตรงกันข้ามโลกเดือดร้อนเพราะคนกอบโกยที่ไม่รู้จักเสียสละนี่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราจะมาตำหนิอีกหรือว่าเทศมหาชาติค้ำครึกฟังแล้วคือปฏิบัติตามอะเมืองไทยต้องขายชาติต้องยกชาติใป็นคนอื่นเป็นไปได้หรือจะเกิดโทษอย่างนั้นขึ้นเป็นไปไม่ได้เลยเราฟังเทศมา ก, ก, ก, กี่กี่ปีมาแล้ว เวทสันดนดรชาดกมีกทั้งบบบนี้สองพันห้าร้อยแปดปีนะน่าเอ า, เอานับจําเดิมตั้งแต่พระพุทธเจา้าในทานเพกันมาเรื่อยแสดงกันมาเรื่อยตั้งสองพันกว่าปีแล้วเราเจอคุณอย่างพระเวทสันดนดรมีกี่คนเจอบ้างไหมเจอมีกี่คนบ้างไห ม, ไหมยกลูกยกมีให้เขาเนี่ยยกบา้านยอมหมดทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาเรามไม่ไม่เจอเลยแล้วเราจะมาตัวอะไรกันบอกตาทุกคนทาอย่างพระเวทสันรแล้วก็เจงแน่นอนละสิ ถ้าคนในโลกนี้หรือคนในประเทศไทยเกิดนักพันอย่างผู้เวยสันดอนนะมันก็เจ๊งแน่แต่เขาว่ากี่คนมันจะมีอย่างผู้เวยสันดอนมีไม่ล่าก็ต้งสองพันกว่าปีเราจังเจอใครไม่ล่าที่เป็นผู้เวยสันดอนคนที่สองอะเจอมันไม่ร่ะถ้าเจอกรุณาบอกไว้เถอะนี่แะครับไม่เจอเลยไม่มีเลยไม่มีเพราะคณะการที่กลัวบอกว่าทุกคนเป็นอย่างผู้เวยสันดอนแล้วก่อแย่โลกนี้ก็ลําบากก็สิยกให้เ้าหมดเนี่ยจึงเหมือนหนึ่งคนที่ตัวฟ้าจะพังมาทับอย่างนั้นอะ เป็นโรคเสพประสาทโรคจิตวิตประริตคนนิสัยโกรอยอย่างนี้เป็นโรคจิตวิตป ร, ริตครับเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่สามันปกติแล้วครับคนนิสัยกรอยอย่างเนี้ยอย่างกระต่ายตื่นตัวนี่เป็นต้นเนี่ยออย่างนี้เป็นต้นเวทัณฑรชาดกให้คติในการที่สอนให้รู้จักเป็นผู้เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวมนี่ครับเราจึงควรจะภูมิใจและควรจะรักษาประเวณีการฟังเทศมหาชาติไว้โดยที่ช่วยกันบอกเล่าช่วยกันชี้แจงความเข้าใจผิดผิดพลาด ของคนที่ไม่ได้ศึกษาถึงสาระผาหรือแก่นสารในเวทสันนดรชาดกให้ถูกต้องเสียให้เข้าใจให้ดีเสียอเขลิบบุคคลที่จะประพฤติอย่างพระเวทสันดร น, น่ะถ้าหากจะมีข้อถามว่าก็เมื่อไม่มีบุคคลจะทำอย่างพระเวสสันนดรแล้วเราจะมาเทศเวทสันนดรชาดกทําไมก็เทศเพื่อจะเตือนจะให้เรารู้จักเสียสละก็ขนาดเทศอยู่งนี้ทุกปีทุกปี ยังจะหาคนสเสียสละยังไม่ใครจะได้เลยฮะไม่ต้องเสียสละยางคำนวเข้าวิสันดอนละครับเอาหนึ่งในล้านของพวกของพวข้าว้สัญดอนยังหาไม่ใครจะพบเลยแล้วเราเข้าประเทศเป็นจริงไปกันใหญ่อสินี่ละครเราคนรจะเข้าใจให้ถูกต้องอีกอย่างหนึ่งถ้าพ้าเอนเราไปพบคนอย่างนี้เป็นข้าวิสัญดอนเข่ากราบเอาไว้เธอคนนั้นนะ่ะเป็นพระบริสัท์องค์หม่แล้วทั้งหลายเป็นนอนเนื้อพุทังกูลนโปรตรักคนใหม่แล้วเข้าไปเจอคนอย่างข้าวิสันดอนเข่าจริงๆเข้านะมีปติปัญญาอย่างพระองค์ท่านเข้านะ อันนั้นแหละครับเป็นพุทธภีชางกูลเป็นแล้วกราบเอาไว้เถอะคนนั้นน่ะเป็นเนื้อนาบุญอวิเศษละในประเทศไทยถาวมามีตัวตรงไหมตัวอย่างตรงไหมมีครับมีคนที่จะประพฤติยวยสฉันนอนมีใครละ่ะพระัชการที่สามพระบาทสนเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวประาดอยู่ปฏิปทาให้กระตัดองค์นี้ประลาดมากผมมั่นใจว่าท่านเป็นพุทธภียางกูลในหลวงรัชการที่สามในบรมราชากรีวงเนี่ยผมมั่นใจว่าท่านเป็นพุทธภียางกูล มาเกิดเพื่อสร้างบารมีสู่ประชาติเป็นกษัตริย์ในประเทศไทยสร้างบารมีที่อที่เชื่ออย่างนั้นนะเพราะอะไรปฏิ ป, ปทางท่านจริยาวัดของท่านบอกหมดอาเจ้าพญาที่ทาสโรผู้เขียนบันทึกเหตุการณ์สมัยจจรัชกาลที่สามบรรทึกจริยาวัดของกษัตริย์องค์นี้ว่าละครผู้หญิงท่านก็ไม่ใครจะทรงท่านทรงแต่การวัดการวาและการกุศลเท่านั้นคินและย่อเนี่ย คือผู้ทำงานว่าท่านไม่เชื่อเพลินต่อเรื่องกามาสุขเอาแต่การสร้างวัดสร้างวาเจริญในทางพระคุสลนี่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งอัธยาศัยของพระองค์ท่านน่ะไฟในทานบริจากอย่างประลาดเมื่อยังเป็นก็มามืนอยู่คือยังเป็นราราชโอรสอยู่ที่ก็มามื่นเจษดาบดินว่ากรมท่าว่ากรมท่าขวาท่าซ้ายขึ้นกระท่านหมดกรมท่าในสมัยนั้นก็เทียบกับกระทรวงต่างประเทศแต่กระทรวงเศรษฐการเดี๋ยวนี้รวมกันนะ กระทรวงต่างประเทศกระทรวงเศรษฐการรวมกันก็คือ ส, สมัยโบราณเกกนี่ยกระโดดโมท่าขวามท่าซ้ายนี่ น, น ะ, ค, ะนนครับบังคับป่ายินยวนบังคับแขกชามาลายูอยู่ในสองกรมนเนี่ยว่าเรื่องสัเภาเรื่องค้าขายก็มหมือนเจษดาบดินตั้งโรงทานหน้าวังสองโลงมีมนพระเทพทุกวันให้เป็นธรรมทานแล้วก็ให้ทัก ใ, ให้ข้าวปลาอาหารแก่พระพระมาเป็นธบาเป็นเลี้ยงพระค้า่านมาเป็นเรี้ยง ยาจกวันนี้พบคนเข้นใจคาริหัดไม่มีข้าราจะกินี ม, มีผู้พระราห่มมาเอาที่นี่ให้ทานไม่อั้นทุกวันแต่ทั้งราชการที่สองตื่งเป็นพระราชบิดาออกอุทานว่าออกอุทานเรียกท่านว่าเจ้าสัวฉันทําบุญสู้เจ้าสัวเขาไม่ได้อุทานอย่างนั้นว่าฉันทําบุญสู้เจ้าสัวเขาไม่ได้เนี่ยพระองค์ท่านเลยมีพระราชดำรัสว่าดูซิเขาเึ็เพียงแต่กรมหมื่เพระยาอุตสาตั้งโรงทานาสองโรงหน้าวังเขาเลยเราเป็นสมภิญามาหากษัตริย์ เพราะมันมีโรงทานกับเขาบ้างแะโรงหนึ่งละ่ะเลยมีพระราชองค์การให้ตั้งโรงทานขึ้นทางด้านประตูวติเศษช้สีเดี๋ยวนี้เึื่อจะรู้ไปมื่อราชการมีห่าเองทีเองนี่แหละโรงทานที่หน้าประตูวิเศษช้สีนะเมื่อสมัยก่อนราชการมี่ามีโรงทานตั้งอยู่นะโรงทานโรงนี้สร้างขึ้นโดรัชการที่สองเพราะความดนใจของตระเมือมื่นเจษดาบดินเป็นตัวอย่างพอมาตระมือมื่นเจษฎาบดินน่ะท่านบป็เพนทา น, นเป็นอะไรท่างก็เปล่งพุทโธมีอนาคาเต ขอให้เป็นตรัพย์เป็นพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตศกาิเวลาส่างวัดว า, ารามหลังน้ําพักิโนโทกุกถวายสง่งท่านก็เป็นสีหนาประกาศยืนยันความปรารถนามุ่งกว่าพุทธสูตรทุกท่านอะไรไม่แปรเข้าท่านบริจาครูปเต้าออเป็นทานนี่สิแปลกมากบริจาคพระราชโอรสพระราชปิดาออกเป็นทานประหลาดอันนี้รักดีมากพง่งสวัสดานตอนนี้ประวัติศาสตร์ที่เป็นที่เปิดเผยในปรากฏไปปรากฏในจดหมายเหตุกรมหลวงนรินทรเทวี ไปปรากฏข่ามีข้อความอยู่ตอนหนึ่งผมจอ่านให้ฟังกล่าวว่าได้ทรงสร้างพระบารมีโปรดคนโทษทำผิดคิดมีชอบต้องด้วยบทพระอายการยกประทานชีวิตไว้หลังน้ำสีโนโทกตกศีษะทั้งผู้ชายผู้หญิงโปรดประธานชีวิตปล่อยเจ็ดคนแล้วมีสงมาขอพระองค์ใหญ่วิลาพระองค์งลักษณอุทิศถวาย ไม่เสียดายเด็ดดวงพระไทยยืนแล้วสงถวายคืนว่าจะเพิ่มพระบารมีนี่ขอสมมตเหตุของกมรมหลวงนรินทรเทวีซึ่งเรียกกันภาษาชาวบ้านว่าจุดหมายเหตุเจ้าขรอบวัดโพ ท, ท่านสงท่านอย่างนี้เป็นพระกนิชชาของราชการที่หนึ่งเรียกกันว่าพระ อ, องค์เจ้หญิงกุน ะ, ะชาวบ้านเรียกว่าเจ้าครอบวัดโพ ท, ท่านสร้างวังอยู่ที่ข้างวัดโพคือไอ้กุงที่สร้างข้านนอนเดี๋ยวนี้แหละปิหารข้างนอนนี่เดิมเป็นวังของกมุมาหลวงนรินทรเทวีเจ้าข้อวัดโพสร้างวังอยู่ แล้วก็ท่านเป็นคนเก็ตอากรขนนนต์ตลาดที่ตลาด า, าพเปียนี่แหละรัชกาลที่หนงยกให้เป็นน้องสาวคนละแม่พ่อเดียวกันคนละแม่น้องสาวคนเดียวงท่านนี่แหละแ ล, ะและแล้วก็ท่านูนนี้ดํารงภาชนชีพมาถึงรัชกาลที่สามได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆมาถึงสามแผ่นดินได้คิดเอาไว้ว่ามีพระสูงมาขอพระราชโอรสพระราชธิดาของรัชกาลที่สามไปคือพระองค์เจ้าหญิงบิลาศกับพระองค์เจ้าชายลักษนาลคุณ นี่สองชายหนึ่งหญิงหนึ่งเทียบชาลีกันหาแล้วตอนราชการนี่สามต่เด็ดดวงว่าไทยยืดยึกยกไ ห, ห้เหมือนกันเป็นทานเหมือนกันอย่างอย่างท่านนอนกูริจัดยกใหเป็นทานแต่แล้วพระท่านก็ถวายคืนบอกว่าที่มาขอนี่คือจะมาทดลองพอระบารมีว่าที่อ้างสาขนาพระธูิน่ะจะทําได้จริงไหมมาทดลองพอระบารมีเป็นการส่งเสริพรมพระบารมีหน้าเสดาจีาวิวสง่งหรือพระสงฆ์ที่มาขอเนี่ย ไม่สร็ไม่เสร็จระบุว่าเป็นพระวัดไหนน่ารู้จริงๆนะครับถ้ารู้ข่าวราหรอกพระลาอยู่ครับเพราะฉะนั้น่ะเรื่องของเวทคันดอนธาดกกนี่ยผมจึงอยากจะขอจบด้วยการยกเอ า, อาวาจาอาสพิวาจาขององค์พระโพธิสัตว์เวทคันดอนที่ได้ประกาศไว้ว่าหดยังจากคุ้มประหังดักทังริงเมพาจิระตังทนัง ฮีรันยังวาสุนังวาสุสุนังวามุตตังเวรุดิยามันีแปลความว่าเราคึงให้ดวงฮไทยหรือดวงจักสุก็ยังให้ได้เราจะหงเห็นอะไรกับปัพภายนอกคือเงินทองมุกดาไป ท, ทูลมณนีเราทาลีกันห้าชินังทีตังมัดลิงเดวิงปติภัตังจะมาโนนจินเตสิโบธยาเยวะการณาเราสละทาลีผู้โอรสกันหาผู้ิดา ตลอดจนมัตสีเทวีผู้เคารพสามีโดยที่เราไม่คิดอย่างหนึ่งอย่างใดก็เพราะเหตุอันจักสําเร็จโอทิยานเท่านั้นนาเมเดสะอุภูปุตตามัดดีเรเดวีนานาอัิยาสัพพัญยุตงังติยังไมฮังตั ส, สมารเอหิอาดาสะฮังโอรสทิดาทั้งสองของเราเราจะเกลียดทางก็หาไม่พระนางมัตสีไม่เป็นที่รักของเราก็หาไม่แต่สัพพนิษยานเป็นที่รักของเรายิ่งกว่า เราจึงสละอดและทิดาพร้อมทั้งมัดตีเสียเพื่อแลกกับสิ่งที่เรารักยิ่งกว่านั้นคือพระศพยุติญาติขอจบปาติกรถาวันนี้แต่เพียงเท่านี้นั่นเป็นเรื่องที่เราเข้าใจผิดกันมานานเพราะฉะนั้นองค์ปาฐกุได้ให้ความปรปิานเถี่ยวกับเรื่องนี้ประชาดกนั้ น, นเป็นพระพุทธวจนะไม่ใช่เป็นหลักธรรมของศาสนาพราหมณ์อย่างไรทั้งสิน้น องค์พระโต้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องเวทสันนดรมาโดยแก่นประจันก็คิดว่าคงจะทำให้ทานสาวพิชช น, เ, นเกิดปัญหานในเวทสนอนมากขึ้นทีน่าชาววัดมหาธาตุแจกมีการมหาชาติกกกรุณาใส่ใจ ม, มากๆหน่อยแล <c oughs> <c oughs> จะได้โปรดจะได้คิดถึงพระเวทสันนดรเป็นอารมณ์แล้วก็ในวันนี้อธตมานั่งฟังมาได้รับสาระตั้งแต่ต้นจนอวสานว่าข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องโพธิสัตว์เช่นสัพเดฐานพูดได้ก็เป็นเรื่องที่มีอยู่จริง ไม่ใช่เป็นเรื่องเพศในพระพุทธศาสนาะแต่อย่างใดฉะนั้นเวทสันดอนชาดกนั่นนะเป็นเรื่องจริงและก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนควรจะปักไวงบัณฑาาชาจะมีเพศเวดสันดอนทุกปีเพราะฉะนั้นปีหน้าถ้ามีเพศผิดก็ดีกาคนจะถึงท่านแน่นอนและเราท่านทั้งหลายก็คงจะได้บำเพ็ญบารมีเพื่อจะได้พระสีอานในอนาคตการน้นเอกเพราะว่าองค์ตาศกได้บอกแล้วว่าผู้ที่จะพบพระสีอ่านนั้นต้องบูชาเวทสันดอนชาอะเวทสันดอนชาดอกให้ครบหมดทั้งสิบสามกันดอกบัวพันหนึ่งถูพันหนึ่ง จึงจะสามารถได้พบสีอริยเมตไตรได้องค์ปาโตกได้สาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเป็นจํานวนมากแล้วก็คิดว่าท่านสาธุชนคงจะเตรียมถามปัญหาก็เหตุว่าองค์ปาโตกนี้ได้ตอบปัญหามาครั้งหนึ่งในสมัยก่อนอในเมื่อตอนที่มาปตาตะกถาครั้งที่แล้วเมื่อสองเดือนก่อนและวันนี้ก็คงจะมีปัญหาเตรียมมาแล้วท่นานทูไดจะถามอะไรเกี่ยวกับองปาโตกในเรื่องเวทสันดอนผิดหรือจะคานก็ขอเชิญได้เลยครับ ปัญหาที่จะถามนี่ก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องพระเวสสันดรครับแต่เป็นปัญหาที่ที่จะถามเกี่ยวกับเรื่องถ้าผูว่าจักรวาลเป็นอนันตะมากจนหาที่สุดไม่ได้นั้นตราบแล้วในพระไตรปิดกกล่าวว่าพระพุทธเจ้าสุธองจะอุบัติเฉพาะชมพูทวีต น, นั้นอยากทราบว่าจักรวาลทุกจักรวาลมีชมภูทวีปเหมือนพวกเราหรือไม่และ มีพระพุทธเจ้าอุบัติหรือไม่อันนี้เป็นปัญหาข้อที่หนึ่งครับอ่าจั ก, กรวาลบางจั ก, กรวาลก็ไม่มีพระพุทธเจ้าไปอุบัติจั ก, กรวาลที่มีพระพุทธเจ้าไปอุบัตินั้นเรียกกันว่ามงคลจั ก, กรวาลเช่นจั ก, กรวาลของเหล่านี้มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติแต่นอกจากจักรวาลของเรานี้แล้วยังมีมงคลจักรวาลอไไื่นนะครับนอกไปจากมงคลจักรวาล น, นี้ต่อไปที่มีพระพุทธเจ้าไปอุบัติข้อเหตุนัน้น จึงมีคาอุปมาว่าคังคาณทีวาลูกูปมาพุทธาจํานวนพระพุทธเจาทั้งหลายน่ะมีมากอุปมาเหมือนหนึ่งเมล็ดฝ้ายในแม่น้ําคงคาเรานับเมล็ดฝ้ายในแม่น้ําคงคาได้หมดไหมว่ามีกี่เม็ดถาว่านับหมดรึผมจะนับจำนวนพระพุทธเจ้าให้ดูว่ามีโลกคาตุอะไรบ้างนี่นะครับขอบคุณครับปัญหาข้อที่สองในสาระถสังหาเล่มสามกล่าวว่าอิทธิภาวะหมายถึงแพทยหญิง นั่นคือผู้เกิดเป็นหญิงนั้นไม่ใช่สาเหตุเพราะผิดกลาเมสุมิชาจารเสมอไปที่ผิดกลาเมแล้วเกิดเป็นหญิงก็มีที่ไม่ผิดกาเมร์แล้วเกิดเป็นหญิงนั้นเพราะรกุศลโอมากะกุศลอย่างอ่อนจึงทําจึงนําให้ปฏิสนธิเป็นหญิงให้อาจารใช้วัวหารอันลึกซึ้งเปรียบเทียบให้ชัดเจนด้วยอ้ากุศลอย่างอ่อนที่ทาให้เกิดเป็นหญิง่่านเท่างหลาย เป็นเรื่องมัติในอัตกระถาจานนะครับที่แบ่งแยกว่าเป็นกูสงอุกกระถาแล้วก็โอมกกากะแล้วก็ให้ผลว่าอํานวยเป็นมหาวิบากแล้วจะทำเป็นชายบ้างเป็นหญิงบ้างตามเกณฑ์ของกูสนความจริงการที่เกิดมาเป็นหญิงน่ะขั้นพุทธวจนะไม่มีที่ไหนบอกว่าทํากูสน้อยตตุผู้ชายแล้วมาเกิดเป็นหญิงไม่มีเลยในพุทธวจนะาขั้นบาลีพุทธวิญญไม่มีเลยมาไม่เอาสมัยรุ่นแต่งอาจารย์ภายหลังมาแต่งและอาจารย์ที่ทายหลังมาแต่งนั่นน่ ะ, นะก็มาท่านก็มีจุดประสงค์ ท่นานประสง์เนีต้องการจะส่งเสริมคนให้มีโอกาสบวชมากๆซึ่งเมื่อมีคนมีคนบวชมากๆพระาศาสนาก็ได้แผ่ไพศาลมากท่านจึงพยายามที่จะเขียนในแง่ที่ว่าให้กําลังใจแกบ่บรรดาสตรีเพศทั้งหลายได้ตั้งปณิธานสร้างกุศลเพื่อหวังเป็นบุรุษเพศแล้วจะได้มีโอกาสออกบวชสืบอายุภาษาศาสนาต่อไปท่านจึงเขียนว่ า, าสร้างกุศลอย่างอ่อนมาทำให้เกิดเป็นหญิง ผู้สูงอย่างแรงมาทำมเกิดเป็นชายแรงก็อ่อนในที่นี้่หมายถึงว่าชายที่จะมีหวังบวชสื่อายุภาษศาสนาหรอผู้นั้นจึงเรียว่าชายมาเกิดเป็อาศัยผู้สูอย่างแรงถ้าหาว่าเป็นผู้ชายที่เกิดมาแลว้วทุกศีลอย่างนี้นสู้ผู้หญิงที่เกิดมาแล้วมีศีลไม่ได้เราจะเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์มาวัดโดยการแบ่งแยกเพศหญิงเพศชายว่าเพศไหนแล้วเพศไหนดีกว่ากันไม่ได้ต้องอาศัยการกระทำไม่ใช่อาศัยที่การแบ่ง บ่งแยกทางเพศเพราะฉะนั้นการที่จะเกิดเป็นหญิงเป็นชายนะ่ะไม่ได้อยู่ที่ว่าเกิดเป็นเพศหญิงไม่ดีดเกิดเป็นเพศชายดีกว่าทางคุตตสนาไม่ได้ถืออย่างนี้ครับที่ถือว่าที่ถืออย่างนี้อ่ก็เพราะว่าเป็นกุศโลบายต้องการจะสนับสนุนให้คนมีโอกาสบวชมากๆแล้วการบวชในสมัยนั้นนะ่ะพิสุพิสุลีวงน่ะ์อันตรทานล้อยหลอไปเต็มทีแล้วถึงมีก็ไม่สะดวกนับประการเพราะสังคมอินเดียสมัยโบราณ ก็ดีในสังคมในประเทศลังกาสมัยโบราณก็ดีฐานะของผู้หญิงนะ่ะอยู่ในฐานะที่ไม่สู้จะปลอดภยัยแม้แต่พระสมมาสมพุทรจ่าก็ยังไม่สู้จะอ่ารงพระไัยนักที่จะโปรดให้ตั้งพิสุนีวงขึ้นเพราะเล็งเห็นแล้วว่าผู้หญิงไม่ปลอดภยัยไม่ต้องอื่นกันล้วครับมีนางพิสุนีที่ถูกเขาข่มขืนนะ่ขณะดเป็นผ้าละอันแล้วยังถูก ข, ข, ข่มขืนเลยก็อย่างนางอุบลวรรณาเทรีเนี่ยเป็นผ้าละอันแล้วนะยังถูกนายนันท์พะ ข, ข่มขืนเลยเพระนางอุบลวรรณาเทรีเนี่ยถูกข่มขืน แล้วพอในนันทะขุมขืนพระอรหรันติสุนีสําเร็จพอลงจากเตียงอาวจี v G ก็ดุดเล่นงานเลยพอมี ส, สูตรทันทีเชเนี่ยขาตาแล้วก็มีนางที่สุนีอีกหลายท่านที่สวยงามมากถึงดูดแล้วก็ยังสวยก็มีพวกเจ้าชู้เจ้าชู้ยักษ์นี่แหละมาคอยอ่าปฏีประจอดักหน้าดักหลังเวลานางที่สุนีออกมาบินธบาติวันหนึ่งที่สุนีนางหนึ่งคือบาทบรบินธบาติที่สุนีนางนี่เป็นพระอรหันต์แล้ว มีเจ้าชู้อยู่ส อ, องสคนพวกนักเรงอ่ะมาคอยดักแมหมเธอสวยถึงวันเธอสวยอย่างนี้นาพิษณีก็ถามว่าเออี่ชมาฉันสวยเนี่ยฉันสวยตรงไหนก็นสวที่ดวงตาสิแม่คุณดวงตามแม่คุณเนี่ย ว, วาวหวานเยิม้มเป็นตาน้ําพึ่งว่เอาอยากไ ด, ด้ดวงตาฉันไปไหมละ่ละเจ้าชู้สองคนนั้นก่อนนึกว่าเป็นการพูดแก้เกี่ยวนึกว่านางทอดสะพานให้แล้วอยากยากอยากได้ พิสูจน์นีนางล้นตกควักตุกตาออกมาทั้งสองลูกเอาเอาไปสิยากได้เอาไปชั้นให้เพราะมาท่านจัดเล่าตาข้งตัวเออเอาไปอยากได้เอาไปว่าสวยนักน่ะเท่มเลยตกใจกลัวคนควักตุกตาให้ก็บอกว่าสวยลวงตาสวยจะรักลวงตาจะควักตาให้แล้วเนี่ยเนี่ยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในข้งพุทธการนี่แหละครับออพิสูจน์นี้ลําบากมากการครองตัวมีพวกอันตพานคอยดักเล่นงานพวกเนี่ยมากมายเนี่ย เพราะฉะนั้นในสิขาบทจริงบัญยัติให้ว่าพิสุนีจะอยู่วัดโดสที่มีพิสุไม่ได้ต้องอาศัยอยู่วัดที่มีผู้ชายพระผู้ชายอยู่จะได้อาศัยกลางพระผู้ชายคอยป้องกันเวลามีผู้อันตรามมารบกวนะครับพุทธการยังเป็นอย่างนั้นเลยนี่เพราะฉะนั้นการที่ท่านกล่าวบอกว่าเกิดเป็นชายประเสริฐกว่าหญิงน่ะหรือเพราะอานิสงส์บุญแรงกว่าจึงมาเกิดเป็นชายน่ะในแง่ที่ว่าเป็นชายแล้วมีโอกาสออกบวชในพระศาสนาหรอกไม่ได้หมายความว่าทั่วไปเป็นตาธรรมะหรอกครับ ปัญหาก็อที่สามปัญหานี้รู้สึกว่าจะยาหน่อยนะครับที่พระพุทธเจ้าตรัสในสัจจะมกว่าอภัพภะคุตุชนสี่คือสุคติอเหตุตุกขาบุคคลทุคติอเหตุกขาบุคลบคลทวิเหตุกขาบุคคลตีเหตุตุกขบุคคลบุคคลทั้งสี่ลาวพระองค์ตรัสว่าจะได้สาเร็จมรรทผลแน่นอนในการข้างหน้าส่วนพัพภะคุตุชนสี่คือ สุขติไอเหตุกับุคคลทุคติไอเหตุกับุคคลทวิเหตุุกับุคคลติเหตุุกับุคคลทั้งสีเหล่านี้พระองค์ตัดว่าไม่มีหวังจะได้มรรคเลยจึงใช้ตั้งชื่อว่าพักภาคกุตุชนสี่เหล่านับตั้งแต่เวียนว่ายตายเกิดมาเป็นต้นหาเบื้องต้นหาเบื้องต้นมิได้และหาเบื้องปลายมิได้คือจะไม่ได้มรรคเลยอยากทราบว่าเหตุใ ด, ดพระองค์จึงจัตยากรแน่นอนลงไปที่ ทีเดียวว่าบุคคลเหล่านี้ไม่มีหวังได้มรรคผลเลยไม่ว่าชาติไหนไหนคําว่าบุคคลที่จะไม่มีหวังได้มรรคผลเลยไม่ว่าชาติไหนหนั่นนะเป็นปริยาธรรมครับไม่ใช่นิปริยาธรรมเราต้องเข้าใจในธรรมนั้นด้วยคือธรรมนะแบ่งออกเป็นปริยาธรรมประการหนึ่งแบ่งออกเป็นนิปริยาธรรมประการหนึ่งธรรมะที่เป็นปริยาธรรมนะ่ะหมายความว่ายังแสดงไม่หมดความหมาย ยังทิ้งใายะที่จะต้องแสดงอีกส่วนธรรมะจะเป็นนิปริยยะน่ะหมายความว่าแสดงจนหมดเปลือกแล้วไม่มีอะไรเหลือไว้อีกแล้วไม่มีอะไรจะข้อให้จะต้องคบคิดอีกแล้วเป็นสองอย่างเดยกันตรงแสดงว่าบุคคลที่เป็นนิยตามิจชาทิฏฐิห้ามมัดห้ามผลคนนิยตามิชาทิฏฐิห้ามมัดห้ามผ ล, ม ห, มม ห, มผลห้ามสวรรค์บุคคลที่กระทําอนันตริยกรรมอ่ะก็ห้ามมัดห้ามผลห้ามสวรรค์นี่สองประเภทนะฮะ พวกคนที่เ ป, นเกกป็นทุ่เฮตุกะปฏิสนธิก็ตออามไอเฮตุกะปฏิสนธิก็ตามแต่าอเฮตุกะปฏิสนธิน่ะห้ามมักห้ามผลเฉพาะในชาตินี้ชาติตุจุบันนี้ครับสมมติว่าเราชาตินี้เกิดโดยไอเฮตุกะปฏิสนธิอย่างเงี้ยเราจะไปเจริญฌานก็ไปขึ้นจะเจริญมักผลก็ไม่คืนน ะ, จะเจริญไม่ึ้นเลยแต่ไม่ได้ห้ามสวรรค์ไปทําโลกิยะเป็นวัตาคามินีกุศลอย่างได้อยู่แต่จะไปทําเพื่อจะให้ได้มักผลในชาตินี้ท่านตาเหน็นกาไม่ได้ไม่ได้ห้ามชาติต่อไป เราเป็นไอ้ิหตุกับุคคลในชาตินี้แต่ว่าเราสร้างบา ร, รมีของเราใหม่ในชาติหน้าแล้วก็เกิดเป็นติเหตุกับุคคลแล้วก็มันเพนเพียนเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อมีพานได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นข้อที่ว่าว่าเป็นอาภัพพาหรือภัพภาภพานะ่ะโดยในญยติขุประสงค์เล็งเอาหมายถึงชาตินี้ครับชาติที่มาเกิดนี้มาเด็ดเล็งว่าตลอดอันันตะการอาสงขายชาติคุณคนนี้ไม่มีหวงังอย่างนี้แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ความหมาย ในพุทธศาสนาแน่นอนไม่ใช่จุดประสงค์ในธรรมะแน่นอนถ้าหาว่ามีขึ้นก็อาจจะเป็นความหมายของเตจีอาจารย์นั้นเองถ้าอย่างนั้นแล้วผู้กักดิ์ทธิ์นั้นกลายเป็นว่าผูกขาดเฉพาะชนบางเหลา่าอีกชุมวลาก็ฆ่าประโยชน์สิแม้แต่พระเทวทัตเองเ น, นะนะเทวทัตนั้นในชาตินี้อเทวทัตเป็นติเหตุกัปฏิทุที่บุคคลเท่านะพรเทวทัตเนี่ยไม่งั้นพระเทวทัตจะมาทําฌานโลกยากสัญญาทําไม่ได้หรอกนี่แล้วพระเทวทัตพอทำอนันตริยกรรมแล้ว มักผลที่ตัวจะได้ในชาตินี้ก็ไม่ได้ความจริงถ้าพระเทวทัตไม่ทําอนันตริยกรรมพระเทวทัตได้บรรลุอรหันต์แล้วไปทำซะก่อนมันก็ไม่ได้ไปลงอเวจีพ้นลงอเวจีขึ้นมาพระเทวทัตจะได้ตรัสเป็นปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตการดูอเวจีกลับเดียวพอพ้นกับนึงออกมาก็ได้สร้างบารมีกระทั่งเป็นปัเจกโพธิพุทธเจ้าได้เพราะนั้นปัญหาที่ถามเนี่หมายความแต่เพียงว่าชาตชาตินึงนี้หรอกว่าหมดโอกาสจะได้เป็นไม่ได้หมายกว่าอเนกอนันตชาติไม่ได้หมายกว่านั้นครับ ขอบคุณครับที่นี่เหลือปัญหาที่สี่ปัญหาที่สี่และที่พระองค์ไม่ยอมตัดเรื่องสัต์แต่ละคนเกิดครั้งแรกเมื่อไรนั้นหรือเป็นเพราะพระองค์ไม่รู้ด้วยสัพพัญญุตยานจึงไม่ยอมตัดเข้าใจว่าควรคงคงรู้แต่ไม่ยอมบอกเพราะไม่เป็นเหตุให้ออกจากวัฏฏังสารอยากให้อาจารย์สุธเทียนช่วยชี้แจงเรื่องสัต์แต่ละดวงนั้นเกิดครั้งแรก อย่างไรตามทัศนะของอาจารย์เองตอบแทนพระพุทธเจ้าด้วยอ่า โ, โอ้โหสาเหตุไ้ผตอบแทนพระพุทธเจ้าได้ไดไดไดยังไงครับไม่ได้แล้วครับจะไปรู้สู่รู้เกินครูไม่ได้ครู <c oughs> อ่ามูลเหตุที่ในพุทธศาสนาไม่สอนปัจฉิมชีวิตอย่างเช่นศาสนาอื่นนั่นน่ะแม้ในาศาสนาอื่นคำว่าปัจฉิมชีวิตต่างก็ไม่จริงไม่จริงที่ไหนอ่ะ เพราว่าสิ่งใดมีปฐมสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งสิ่งนั้นก็ต้องมีสาเหตุของความเกิดเกิดจากอะไรเขาบอกว่าเกิดขึ้นเองไอ้เกิดขึ้นเองเนี่ยถ้าเขาบอกเกิดขึ้นเองได้นั่นก็คือไม่มีอะไรที่เป็นของปฐมแล้วเหมือนอย่างนี้ครับฝนตกเราในสมัยก่อนมนุษย์เรามีเหตุผลตื่นก็ไม่กว่าน้ามาจากฝนฝนนี่เป็นเพรา ะ, ะเหตุของน้าอยู่ยุคหนึ่ง ตอมาพอความฉลาดคนมากขึ้นก็รู้ว่าอ๋อผลไม่ใช่ต้นเหตุของน้ำหรอกเพราะผลยังเป็นเหตุอยู่มันยังเป็นผลอยู่มาจากเหตุอีกอันหนึ่งคือไอน้ําก้อนเมฆนี่เวียนกันไปเรื่อยไอน้ําก้อนเมฆก็ยังมาจากเหตุอีกอันหนึ่งคือน้ําน้ํานี่ก็มาจากเหตุอีกอันหนึ่งคือออกซิเจนนี่มีมาเป็นลําดับกันนี่เพราะฉะนั้นเหตุกับผลจับคู่กันอยู่เสมอเราเข้าใจว่าอันนี้เป็นปฐมเหตุนั่นเพราะว่ากําลังปัญญาละมาตันแค่นั้น เหมือนหนึ่งเราคนโบราณเข้าใจว่าน้ามาจากฝนและก็ปันแค่นั้นข้อผือพลาสาเหตุของฝนไม่ได้คนนึกว่าฝนนี่แลกเป็นผรมเหตุเนี่ยของน้าเหมือนกับคนที่นึกว่ามีปฐมชีวิตมีต้นเหตุที่ให้เกิดโลกแล้วว่าต้นเหตุนี่ไม่มีต้นเหตุของผนเหตุอย่างเดียวกันเพราะว่าความรู้วิธีปัญญาของเขามันเพียงแค่นั้นเองแต่ถ้าเมื่อใดเขามีปัญญาแทนทะลุต่อไปอีกว่า ไอ้สิ่งที่นึกว่าเป็นเหตุน่ ะ, นะความจริงการเป็นผลก็เหตุอีกอันหนึ่งทางคุตตาศาสนาศาสนาส ม, าสมพุติจิตใของเราเดจารูปา้ปฏิจจจักรของพระบาศว่าผลอันนี้เกิดขึ้นก็มาจากเหตุอันนี้เหตุอันนี้มีอยู่ก็มาจากผลอันนี้ผลอันนี้จะดับก็ต้องดับเหตุอันนี้ก่อนเหตุอันนี้จะดับได้ก็ต้องดับก็ต้องดับผลอันนี้เกี่ยวเนื่องกันเป็นลูกโซ่เพราะฉะนั้นพระพิธีญาณของพระองค์ จึงเล็งไปทะลุปรุปโปรงถึงกันแล้วว่าอ น, นัพตะโคโยังพิเกเวปุพโกติณะตั้งตารติดูก่อนพิสุทั้งหลายเบื้องต้นของวัตตะคือวนเวียนแห่งชีวิตนี่นะไม่ปรากฏนณะพิสุทั้งหลายเพราะว่ามันเป็นอนันตการอนันตวงจรของชีวิตเป็นอนันต์ตราบใด ย, ยังไม่เรายังไม่ได้มีทานตราบนั้นวงจรของชีวิตเป็นอ น, นันตนะเราจะเอาอะไรเป็นปฐมเหตุไม่ได้ เป็นอันไม่หมดมันเปเกี่ยวยองเป็นลูกโซ่กันไมหมดเป็นวงกลมอนันต์ไปหมดทีเดียวอันนี้ผู้ที่รู้หลักวิชาคณิตศาสตร์ยอมรับคือว่าเลขศูนเนี่ยเพิ่มได้ใน่รู้จบเขียนเลขหนึ่งแล้วก็ศูนย์ศูนูนย์ศูนย์นย์เขียนได้เขีนได้ไม่รู้จบนี่มันเด็นวงกลมเป็นอนันต์นี่วิชาเลขคณิตก็มาวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์กรรมลัพธสมารถธรมะในพุทธาสนาที่กล่าวว่าโลกธาตุนี้เป็นอนันต์ จักรวาลสุริยะจักรวาลหนึ่งจักรวาลหนึ่งเนี่ยไม่ใช่หนึ่งเดียวมีตั้งกีง่โกดกี่พันล้านระบบสุริยะจักรวาลก็ไม่รู้ชีวิตจิ้งไายเทไปมาในระหว่างจักรวาลเหล่านี้ไม่มีขอบเขตไม่มีที่สิ้นสุด <S <S ตามที่เรานนึกว่ามีปฐมเหตุนะแต่เพราะเราเอาชีวิตในโลกนี้มาเป็นเครื่องวัดและความจริงโลกนี้เป็นปฐมเหตุจริงหรือจริงหรือก็ไม่จริงอีกเหมือนกันเพราะว่าคัมภีร์ในบางศาสนาที่กล่าวว่ากล่าวถึงบุปฐมเหตุน่ะ ขีนมาหกพันปีมานี่เองเห็นมาหกพันปีมานี่เองแต่มนุษย์เราเนี่ยมันเก่าแก่เกินหกพันปีไปอีกมีมาก่อนหกพัปีอีกไม่ใช่พระเจา้าสร้างมนุษย์ไปหกพันปีอาดัมเอวาพท่นั้นเองไม่ใช่ก่อนหน้าขึ้นไปอีกมีมนุษย์เห็นมนุษย์กลืนกินกึ่นคนเดี๋ยวมนุษย์วานอนมีอา ย, ยุในโลกตั้งแต่ห้าแสนปีมาแล้วมนุษย์เรานะเพิ่งจะมีหน้าตาเป็นผู้เป็นคนอย่างดีวนี่หนะ่าเราเราสองแสนปีมานี้เองนะ หน้าตาเป็นเป็นคนเป็นมนุษย์จริงๆดังๆหน้าตาอย่างพวกเราเี๋ยวนี้นะไม่สองแสนปีมา น, นี้เองไอ้กอหน้าไม่ยังหน้าตาตึงดึงตึงคนอยู่ยังเป็นมนุษย์วานร อ, อยู่และวไอ้กอหน้ามนุษย์วานรไปอีกไม่รู อ, อีกกี่ล้านปีเบ็ดเสร็จนักมนุษยวิทยาเขาวิเคราะห์ว่ามนุษย์เราเริ่มแรกมีในโลกน่ะประมาณห้าสิบล้านปีมาแล้วคือยังสมัยเป็นมนุษย์วานร อ, อยู่อยู่เรื่องของพวกไดโนเสาร์พวกสัตว์ลกล้านปีอย่างไรอยู่กับพวกนั้นแหละ แล้วก็ล้มหายตายจากปลายแพร่พันออกไปอะไรออกไปนา น, นาประการเพราะฉะนั้นดาวเนียึงบอกว่าคนเ่าสูงมาจากลิงไง ล, ล่ะแต่ความจริงนะ่ะคนก็ไม่ใช่ลิงลิงก็ไม่ใช่คนเพราะถ้าว่าลิงจะเป็นคนละล่ะเดี๋ยวมึงต้องต้องเห็นลิงเปลี่ยนเป็นคนบ้างบางตัวแล้วก็มองไม่เห็นไม่ใช่เราลิงมาเลียกแค่ตัวนึงเลยแล้วก็ทำํทำทําเครื่องหมายเอาไว้อ่าค่อยสังเกตชั่วลูกชั่วหลานเราตาก็ตายที่แรกมันจะยกตัวอย่างง่ายๆเห็นว่าแมวกระเสือทํานบอกื่อแมวเหมือนกันไหม ถ้าดุหยาบๆก็คล้ายกันถ้าหากว่าเราจับแมวลายเสือมาส่วนหนึ่งแล้วถ้าขยายส่วนแมวลายเสือตัวนี้เนี่ยโตเจอติดเท้าเราเจอแล้วเราก็เพ่นหนีละมาเพ่นหนี้แมวและเนี่ยเสือกับแมวท่านว่ามาจากคูดเดียวกันมาแยกสาขาเสือแมวสิงตัวนี้โคูดเดียวเท่นั้นแหละมาแยกสาขา